เต้มื่อนี้เปลี่ยนนิท่านเดีงธรมาเลืองมีปากบูหูจักบาปมีกาบบูหูจักพอมี่ม่ใหญ่บุญมี่เล่านั้นเปลี่ยนแม่์ใหม่ป่วเล่าตายนี้จากปากหลุดน้อยท่อนทอพอบอมีได้ดูกสาวผู้นึงเกิดวั่นจันทร์ก็เลยใส่สอว่าจันดีตอนนี้อายุสิบหยกยกสิบหกยอนยอนเลื่อนอยู่ม้อหกเคืง เดือนมีนาเกิดสิยดายูดหม้อกจบพ่อดีในมู่บานแห่งนั้นมีวัดอยู่แห่งหนึ่งมีท่านอาจารย์มหาปินเป็นสมพันธ์เจ้าอาวาดวัดน้ำผ้าลูกหลานาญาิโยมสืบต่ออยู่พระพุทธศาสนาะปัฒตนาในด่านจิตใจสำรับตำแหน่งแสดงหน้าที่แม่ใหญ่บุญมีคนใครถวายตำหน่งนี้ท่านพระอาจา ร, ราย์ไพวันธรรมปาโล สำนักปักเส้าวศศีสงาวานาร่ามบานหวยไพ่ค่ำเจริญตำบุแสนสุขกำเพื่อวาร่นชำราบจังหวดัดบุราชธ า, านีผู้พนังอยู่กางเดิด์เดอโยมเดอคือท่านอาจารย์ไพรวันธรร ม, มาปาโลมนีให้เพื่อนเป็นผู้เฒ่าเป็นแม่ใหญ่บุญมีเขียวมากดีดีดอทงทั้งเขาวาดเพื่อนกับบรลบบอลเลี้ยวข้าทั้งวันนองปาพง ออกตนญาญย่อมเค่ยไปไหว้น้องพ่อชากะซีเฮ่เฮ่วัดธนอาจารย์พระวันไปละสําหรับธนอาจารย์มหาปินถวายตําแหน่งเนื้ท่านพระอาจารย์สวีชัยธรมรมธโรุ่มานักภาคเส้าวัดบันสว่างตําบลขียเล็กอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธ า, านีฮู้ละ่ะผู้พวนนั่งคึ้นซีเมนด่านติดใตอยู่ผู้พวนสูงสูงผู้ลูปลออลอนางเถลย อ, อยู่เพล่ะเนาะ พี่น้องนั่งอยู่ไก่เห็นว่าโมเจ้าเคยเห็นพระรอว่ า, าส่วนมากก็สิไปแต่งานรอพระประทานเนาะเมือนี่มากเห็นพระรอก้นลูบรอในใจดีพร้อมเดย้ยิ้มหน่อยจ้า<ว>ขอ่อยลรบเห็นกับพระรอแม้ข่อยฆ่าเสาหอกะทินต่อไปตำแหน่งสแสดงหน้าที่ท่านอาจารย์มหาปินสำหรับตัวของอัตมา พระครูสวรธรรมมพิโมนเจ้าอาวาสวัดบ้านโคกจังายตบนนุนณาวางังอำเภอเมืองจังหวัดนนทเจริญคุณยมบดิศักดิ์เป็นไปหอดบ้านอัตมาพลละวังก่อนปีใหม่มาเมื่อนี่อยู่ใกล้กวัวโม่ก็เลยมาเปลี่ยนนั่งอีกสะละโยมเมนูพ่อนเด้อเมื่อค่อยเปลี่ยนนั่งอีกเด้ อ, เ, เ, เ, อเปล่าผู้ใหญ่เฉยเอ้ยเป็นนางสาวจันดีลูกสาวแถาอยู่กลางนี่ละ อย่าวาลูกสาวคือเถ่ากวัวเมยเด้อหามวาเด้อตันดาจาย์สวีใช่บวชมาแล้วพูนผูพนดุบละลอนยี่สิบหาพันสายี 25, สา่สิบห้าฝนตันดาจาย์ไพรวัลพูนังอยู่กลางบวชมาแล้วยี่สบเจ็ดพันสายี 17, สเจ็ฝนอัตามาบวชมาแล้ว28่สิบดพันสา 25, 27, 28, สองห้าเจ็ดสองแปดเด้อตากรงเ อ, อ้ย นวโอโอกาสต่อไปนี้ก็ขออนุโมนทนอาจารย์ไพรวนดำเดินหน้าที่ของยายบุญมีสืบต่อไปข อ, อนิมทน์ครับ เล่นพนมมงโกฮันน้ า, า, าละยอมสันทังพี่น้องแมยพี่น้องเกยพี่น้องกายขันลา อนอนดอกอ่งบาน้ er ําลาวัลวัายุบปาณาบ้าดอกอางอาวัลวิคตาคนา được sao n ổ là bừa p h n g mà khơi ao cháy tan thành thằng lời mà ló p h n g n ă ệ t đ à n khà nam a là hạt nhóm n g na là hạt nhóm me ni chưa sạch n h โตเดศน์จังห้ดอกซึ้งนะละจันไพวันด้วย่าได้ขามน้ำกระเดืองดอกเสียงใสและทั่วกงในที่วุ่กระดองดังเสมอามละเตรียมผลงานดอกมให้เตียเป็นก่อนดอกเผยแพ่ และพ่อก็จำไม่เนี้ยตางว่าเป็นลูกเต่าพ่อได้ยือดอก ย, ออย่อมยามและเวียนาสา ปาละมายาตินเด อ, อยาได้ขามให้ทำข้าวบัดข้าวหลังนะละมมาบันอมบันแค่พี่ได้กินป้งแปงหาชิเมืองว่าเิีนได้กินเหลอ้โโอ้โอ oh, <man. S 1> ้โอ้โอ้้าวนะ ละยอัมยาพากันบ่าฟ้าเอาให้ทวันเทาละเมื่อนี่โอกาสเดียนจางได้มาลืพอพ่อพ่อสถาณธรรมลาพอล่อลายจ ต้องบบได้กะดีเธอละเธอนันจะสติหลายมบแตดแล้วละหน้ากบมงเธอนึงเพื่อแล้วกะสิได้อยู่รอกเพราะอยเธอหยุดดีหนนั้นอ้าวมือนี้อ อ, อ, อ, อกโต ว, ว้กอนเดอพี่นอ้ อ, องอําเภอครั้งสีทั้งหลายกะดิสิฟั่งเสียงอาจสิพิษหวังแนวราะวะเสียงบ ร, รนนิณนน มีแต่ไปก็ไปกังเว้นกระหองกังขึ้นกระหองเมื่อได้กระแต่หองจังว่าศาสตร์ปางก้อนข่อยจับอึงบ่งแบบเด่งขังของบ่จังว่าบ่ายอยู่เอาสร้างหัวมันน้องไม่ไงเนาะสังเอานีท่านเมื่อนี่พนวางแ ห, หลรเรืองปากโบโหจักบาปมีกบบาบโบโหจักคอที่เป็นไปจังไดนันอัตมภาพทั้งสาม กัดเศียซอยกันประคับประคองแหลงให้เพียงให้นองของห้าวดดสลับรับฟังเมื่อนี่พันโยกโยนโอนตําแหน่งให้ลาบนาทีเมยไ่บุญมีเอาสิเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอัตมาภาพจะได้นําเนินนาทีเมยไนบุญมีสืบต่อไปบัดเนี้อัตมาภาพรับแล้วหน้าที่ของยายแม่บุญ ม, ม, มีสืบต่อไปซึ่งมีใจควมว่า เมื่อยายบุญมีมุ่งหน้าไปทำบุญที่วัดเมื่อเดินไปถึงวัดแล้วเดินหาพระกุฏิไหนกุฏิไหนก็ไม่เจอจึงบนเพออยู่คนเดียวนึกแล้วเชียวว่าต้องเป็นอย่างนี้พอเนึกได้เช่นนั้นแล้วแม่บุญมีจึงมุ่งหน้าไปสู่บ้านมักกาายกซึ่งมีนามว่ามากกะยกใจ ออกเอ่ยเผยวระจาถามไทยกันขึ้นไปว่าปีนี้จะไปนมิมนต์พระที่ไหนมาจําพรรษาอยู่ที่วัดมักกะทายกบอกบ้างให้ไปนมิมนต์เอาท่านพระอาจารย์มหาปิ่นซึ่งพมนักอยู่ที่วัดบ้านนนทร์สลาเมื่อญาติยอมทราบกันทวัวหน้าแล้วจึงได้มุ่งหน้ากลับบ้านของตนของตนพอถึงวันใหม่ยายบุญนี แล้วบรรดาคณะญาติโยมก็มุ่งหน้าออกเดินทางสู่วัดบ้านนนสลา<อ>เมื่อไปถึงแล้วขณะนั้นพระท่านกำลังนั่งฉันเพลนอยู่ญาติโยมจึงนั่งรอหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งก็มีนาการข้างนั้นเลยนาบุโรกาส์ปดีอตามาภาจะได้มานำเดินหน้าที่ของพระมหาปิ่นสืบต่อไปซึ่งมีใจความว่า นี่หละคนย่มเบ้ยกล่าวถึงทานบาหาโต่อยนางชั้นเพลนอยู่ภาคใหญ่เดียวไปไกลจำบ่ได้มาไก่จังคอยเห็นมาไก่จังคอยชัดเจนบาหาละย่มไม่ออกบั่นได้เนาะมาหย่ำยำทมาข่าวตะ เ, เว้นกําลังสีายจังสีสันเพ่นแหลวใหมๆ่ๆม่โอ้ยมีแต่เมยไงพอไงก็มีมานํำกันหลายขู่ไล่ยคน โอ้ยมนไปจังไดยนอยมเม่ใหญ่ขึ้นมาหลายขู่หลายคนแถล่ยายเอยายอันแนมบางนาโมเจาก็เป็นช่งสีฝ่าฝ่าวแถลยมยายเอยมยายอียังเคอตื่นยมระบาอุ้ยกหันมาทั้งทีนี่เรตื่นสนวายไหนม่ใหญ่อันจะเป็นใช่เง้ยใช่เงก็ดอกะดีฮะโอ้ยจะหาเช็ดเด้อเจ้าค่ะ แค่แนวนี่รู้ๆจะนายเบาหวานสุดในไตอักข่าได้ขนาดโอ้ยคอตอดสันไม่ใญ่คอตดเออคอยนี้ว่าน้ำเจ้าเจ้าบองหวกมากกก็ได้ถิมอันถ่ายหางเสียงแห้งๆชักน้อยสันน่ะย่มไม่ใช่อันอยู่บ้านไหนหละไม่ใช่พากันไปหลายคนหลายคนมีทัร์ายเท่าไรย่มใหญ่เอ้ยโอ้ยเจ้าค่ะอืมออันมาน้ากัดหลายผูหลายคนมาีิกระาอยากม้านมอนทานมหานี่จ้าเออ ไปโยบ้านโยช่อมให้แน่ว่าชั้นดอกอบ้านพ่อขานนะบอมีพะบ้านเด่นเนาะหรอว่าบอมีพะหล่ะยุมไไ่มเป็นไงบ้านนอดเงี้ยบาน น, น้นเงี้ยแจะออกไปทั้งบ้านน้องแข่พุนอนอะอกไปทั้งน้องแขกไปทั้งน้องเอียนพุนบ่แม่แจกเอไกเอไปทั้งนั้นติเออออกไปทั้งนี้ อัญโมเมย์ยัพาบาโบมี่เนี่ยยุพนไปใส่พ้นบริวัติสมบัติโยเมยโอ้ยตะกี้กับมีหัวาพาชอชมหวาาัวพอเออมีหน้าพอาไหลกัห้าพอแดงเออโยตอม้าบินทับาตาเขาเแขา่งแบกกออ่งกันว่าถือเขาไดบพีกันเ่ะว่ะวาเขาตถึกบแบนี้ฮอผีส์กันแล้วองนึงก็เลยหนี พ่อเน้เหลือแต่เน้ยพอหลายองค์เดียวพไดไม่เอาเซ ว, วาไว้เว้ยมนบอกว่าแต่อยากอายนอแบนี้เนาะไม่ใช่บอกไม่เด้จะวาเนี่นไม่ใช่มันอยากอายเว้ยอันเจ้าต้องว่าเหลือองค์เดีวยวพ่อได้บินถบาโปวดงานปดงุ่มวาจังสีเด้อไม่ใช่บาดอีเด้อเอาชิม่แต่บินบาทจ่บขี่วะี่เอาก็แม่นยูกระยาวาใสถล่าไเอ้ อันบันนี่เป็นแจงใดก็ได้โบมีพ sì ูยูวัดอยู่ว่าโบมีพ่ตนโอว่าเจ้าอย่างนี้โมีพูยูหันก็โดยพระกัดมานนี่มนต์ถัดมหานี่ดไปจูโบหันเนอขื่อโบห้เอื้อหัอยากยังดอกขย่อไปได้โเจาค่ะบันนี่ก็นอนยมใหญ่อาตมากายูบันโน้นสลาม่านนี่พอสมควรกกายูโดนโยน่นแล้วกับพอดีและมิถูกซิดอุหฮหลายคนอยขันไม่โยมไม่ไยมั่มนกับบ่าวาดอก อันย่อมไม่ไงผู้ว้าอยู่นี่คือสิเป็นพัวหนาวมูนอยใหญ่นอ้ันหนาวมูยูพราะว่าผู้ขายั่งออกกอดมูเออโอ้ยจะเป็นบอกไปท่านซ่อนนออันไม่ไ่ซื้อหยังนอ้ไม่ไงเจ้าไหนซื้อเจ้าหนผู้ขาบ่เออพู้ขาชื่อว่าไม่ไงบุญมีไม่ไงบุญมีด้วยนามสกุลหยังนอไหนไม่ไงนามสกุลศรี้าโอ้นามสกุลผีบาศรี้าโอ มันจะบอกว่าคนเปิดขุท้องผเจ้าแยกเกียรติคอยได้ม่ไงได้อยได้่น mm. ูมันล่มเป่าหูบ่านอๆมันอยู่กลางแจ้งใหญ่อยตดได้หลายใญ่เอ้ยโอ้สีฝานุ่ยใหญ่นำจะขุนวนเวบากะเื่งส่งคืออเยะไม่ไงขันเชไปอีดีนั่นให้คอยทามพอญาไม่ย่อมผู้พันทรงเข่าทรงน้ำกอนเป็นอย่างตาย่มไม่ไงเอ้ยได้บยบาดอก นิมนตชัตติจเจ้าข้ข่ากับจินนั่งก็ชอบแก้เชถยถายนน้ำมนีละจ้าเออเอาตามสบายสักฟันสัญญาิพึกษาหาหรือพญมพญายกรบัดเนตกมาถึงสมัยนีน้ ละโยมไปม๋บังหนังไปฟังลำหลายกว่ามาดอกฟังเทตามสังเกตละเบิ่งเล้วละเงินกระด็นดอกกว่ากันสมหวาใจกะะโยมนน่นอยากเอาล้ำมาเป็นเทศและพ่ออยากให้นอหมูคอยสามองค์นี้ละลุกขึ้นฟ้อนทั้งจอดอกพาสโว ต้น เออแต่ว่าทังพระองค์หามทั้งวีในพันกว่าอ้ยตั้งแต่ตามมาไปเที่ยวหาดอกเทศและอันยาวเนียนันพันกาสังมาและจังสิขอบอกไบสะกรนหรือการดอกฟังธรรมและบ่คือลำกับเพิงและตั้งกันดอกคนชาญและหมอลำนันสมมาปีนอตั้งแต่เขานันสีวาเรา ผูมาก้าอยู่เรื่อยบไดใเจ้านั้นสอบพระไทยผานั้นเหลือเทศจังสันนกกาบอไรและเทศจังสี่กาบอได้ละวันไดบส่สมควรละบส่สนใจย่อมดูละบ่ถูกหูย้อมฟัง จังไฟจานอทังจานและอุปมาคือกันกลบยุ้มทางไม่เผาเอาเป็นขีบพนและบ้วนก็คือปลูกเพื่อใบไหลมือกากผลแล้วคนเท่านี่มาฟังทำหูบาดแป๊ยบัดพอออกไม่ออกตามล้างฟังนอผ้าอกสันดอกเทศดเล่แนั่งเฮ็ดหนัาขาน้อ อยู่เพไวไวเ่แว่วลจรองเจ้าคือบตดีของซอยขอยอีกละเน่เด้อเราพอกัะนอมนานออแล้นอและนอ อันนั่นนันนันนันนันน้วด่าทวนี้ขอกรรมวันท่านอมด่าจอมทำผัวทุวบาขอประกาศในพี่นวองอยู่ทางพี่ที่รับฟังเมื่อนี้เป็นเมื่อต่างได้สร้างกอนดอกของการโยมกรมมในงานดันนางว่านดอกโซอัน ด้วยจิตใจดอกไม้มันละบัควันแค่ดอกวัดเก่งอะโอ้ยนีมุนผาโนมาแสดงเทศนาดอกวาดเบาให้คนเท่าดอกลำนั่งอ่ะแล้วเพื่อให้หู้เจ็บแจงในความใครขวางทำมา พอจากทางนอที่ควรราสิ่งบาดีให้นี้เวนนและมาบําเพ็ญเพียนสร้างและนำกันหรือยาได้ขาดและเกิดมาในาศาสนานาขอขวงพระพุาทธนอธาเจ้านอให้จำไนาวนน์ว่าไงว่าเสมาดู La la la la la la เออเลวบาดนี้ละโงมากเขาอัอะละจับสำเนาเขาดอกเนื้อเรื่องเมยไงเอื้อเย็นอนเลวบาดนี้ละจับสำเนาเขาดอกเนื้อเรื่องเพียงเวลาที่ใหญ่ไกลเลวสิค้ำเรี้ยงแสดงทั้งไม่หูแจงมาหาปินคือน้ำลานเลยใหญ่เรือ่อและเป็นสมพานอยู่ในวัดกะซือวานุานสเลาวนันละจุดสำคัญใน ปีนี่แสนเต็มที่ดอกอิฐดอกลาบเมย์หลากเคยบอกยืมเนาะ อ, อยู่ด้เรื่อยจังอันเพี้นวานันเดียวนี้กัขาดเคิอนและเว้นที่เติมที่เ อ, อินยอมกับบอ น, นันวาซาและถึงเวลายามเพี้ยนโดดบอดนี้ยังสาม สี่ผ้ารำดอกผ้าสางสารกันกาวบัวาลายย้มปลาสุ้มนันนาไว้หาเนว้ด้กกาบอมีคันมันยากหนอจังสี่จากสิยโยไปตตยหยังขึ้นโยไปบ่ดีเลยเหม็นเอ้ยไปนั่นกะคือบ่อน ละหาดย่ำเมื่อแลงพากันกินตั้งแต่เราเมาไม้เสียงดอกนันนี่มนะสีวาพ้าบาดีสี่าญุ่มกาบบอดีพอบพผ้าสางบ่เห็ดน้ำบ่เห็ดน้ำนะและเนียวนอผ้ายางบ่เกาย่ำจากสีบาจังไดเดียและขื้นโยไปยานแต่มีลาขีสีดวนหนีโนไปจนได ตาสินใจแล้วทางไ่ว่บ่มีทางดื้อวาสิยวลากวนดื้อยุมปูผู้เจ้าสงเขาน้ำให้เง้มด้วยด้วยส่วนบุญน่ะและอาตามาสิขอไปละยุพุนน้อยูุพุนบันที่เพิ่นนั้นมีสะทาน่ะแล้วพ่อบุญมีพามาด้หวามกันเจเพียงเหนียและพออย่ยงมีเว้นต่องความมอมองดื้อให้ให้สวั ลาลาทุกคแล้าทุกวางลาลาไปกันเ้อะขันพวกมูเจ้ากายนุ่มทนเฮยโยนีนั่นละนาลาอัอเน่ยมีผู้ฟังที่สนานจาน สวีช้ยไขนี่เอ้อไขนี้เอยนะหมวกลาอย่ นนหยับขอมากย่มม่ออกทั้งพี่บุมเพื่อด้เต็นนาธรรมาตดอกได้ประกันแต่บ่าหน้าเวทีผลบกเกี่ยวเด้อธรรมาติปลอดไพ่อยู่ดอกบอเป็นหยังอ้อยอันใส่น้อล่ะย่มเม่บุญมีเอ้ยบาดนี่ดอกอันย่มเม่เอ้ยยมเม่จ้า แม่นดับละบอกว่าเนี่ยง้างเอะโอฟังอยู่บ่อยโยแม่เออค่ายเยะสันฟังอยู่ดีใจหลายสันโยอม่เอ้ยแต่มากกระถามโยมพอยโแม่ทั้งบ้านดลราเพิ่นก็บอกว่าจังใดปืนก็ยิมอยู่ที่ซื้อตกหลงล่บไปแมนตกลงแล้วเนี่ยไรพร้อมทุกสิงสุยางว่าสิขอไปเพิ่งไปพิ้งฝากเป็นตัวดุกเต่าก็โยมเจ้าคู่สุคนพุนหล่าลหละโยอม่เอ้ยบาร์ดีเออเจ้าขามาเป็นง้างดอก ไปยุพนผู้ข่าแม่ไงบุญมีก็จะเป็นค้นคำอุปธรรมอุปถากเอาเองดอกเจาาเ<อ>้าค่ะเศร้าเพนมาผู้ข่าก็จะแกงพักขี้เล็กมาชเามเออสาถุยนุ่มเบบ่เป็นอย่างดีใจยมย่าย พายุบาดก็คือดกข้องโยม พ, มพอแม็นผ้ากินยังดูกก็กินน้ำได้ฉันน้ำได้ปกติอยู่ที่ฉันเดี๋ยวยุ่งเมยหนักอกหนักใจท่านพ้อมหลักผ้าไปที่ไรยุ่เมย์ไปทั้งไรกับ<า>เดี่ยวเตะแล้วผ้าไปเออไปจะเดินพอนกลับยายเออแบบนี้เมื่อยายบนเมย์ไดบรรดาคณะญาติโยมได้นำส่งท่านพระอาจารย์มหาปิ่นถึงวัดบ้านนนท์เยะเสร็จศพแล้วญาติโยมก็ได้ลากลับบ้าน พอถึงวันใหม่ยายบนเมจริงได้ตระเตรียมพัตนาหารขาวหวานมาถวายท่านมหาปินอยู่ที่วัดเมื่อเดินมาถึงวัดแล้วจึงร้องเรียกด้วยความเหนื่อยออกไปว่ามหาเอ้ยมหาเอยเอ้าโนม่มยใหญ่น้บารีจำเสียงบาด้ห่อย โยมแม่บนมีตวสันน่ะนั่นอเน้อโอ้ยโถดได้ได้ถ้าได้ย่าถือมล่มไมมจังสีมันฟั่งบะคักปันไดโอ้ยขอบกขอบใจถี่เอาใจใส่ตวัดตว่าไม่ใหญ่คือมาแต่เสาเถาวน์พ่อหกมังเสาได้ใาญ่เอ้ยเอ้ยมาแต่เสาฉลาดผู้ขายยนแังโย่ไก่วัดงานกบว่าทันหัวเล็กเล็กหน่อยเขาถีบจักกงานกะบ่เป็นก็ได้มาแต่เ้าเออก็ดีละละโยมแมยใหญ่มาแต่เสาจังสี่น้อ อันมาแต่เศ้าจังสีส่แม่เจ้าหอบเจ้าหิวอีย่างมาในไม่ใช่จกระต า, จะ า, าเจ้าไม่ไปตานักแถื่อยใหญ่เอเ อ, อจักหนังจัดหนัง่งาลูกหลานเขาฆ่ า, า, างายังมาหอดเครื่องทงั้งเขาว่าผักแน่เมย์ไงพุ่นกะผกักแน่พี่กะผักเน่เพียหอดหนาประตูของเต็มกระตาปะล้อพอดี น, นออะออโอ้โอโก็ดีตลอดเมยได้ทั้งอาหารได้ทั้งบุญนอเจ้ากบวขาดทุน เมื่เสื่อมาหลายเช่นอาจารย์มหากระจุงเดียวมื่อฉันเบิดบ่หลายโยมไม่ใช่ไหเบดเบิด่ให้มันเทถวยเดจ้านโยห์ห์นาผู้ขากระสิเทใสกระตาเมื่อให้ลูกให้ล้านมากินยงงาแต่สวดชวดยหห์นาเออบอเป็นอย่างหนอยโยมแม่ขออนโมธนาขอบอกขอบใจได้หลายเด้อโยมแม่เด้ออันมีอย่างในเหลามาจังหันมือนีโยมแม่เอ้ยว่าสุฟังเน่ เออได้ยังมาจังหันน้อเมได้ปนไข่โอ้พอเดชันดนชั้นหน้าเดยมยมมใ์ย่อยขอบใจได้ๆเดชยมเม่อยอันปนเห็ดไข่เจีาวม์ย่อยขึ้นสีเสบน้อปนไข่ฮะเอ้าปนเห็ดไข่มัดใไ้ฝนมาโตจักที่อามแมนปนเห็ดไข่บอมแมนเห็ดไข่ใจิตพอเาเพเวเกิดให้ปนบัดปีสีชา คอยกบก็เคยแต่ยิ่งกบมีตะปนเอ็ดไข่ท่านั้นตัวปนไข่ก็มีสนอนาปนไข่โอ้ยเบาจูฟังเนยเมย์ไงแม่ได้สูตรมา จ, จากใสเจ้าไปได้มาแต่ใสนโนวาปนไข่นี่เจ้าเค้นได้ปนเป็นเมยญญ์ไง มะพังสิเข า, ายังย่ยุคนี้เศรษฐกิจพอเพียงมะบ่งบบบน้ามูกน้ามันก็แล่นขืน่นนาปูนาปลามาหมาพงชี si ột, si ột, 妈妈้หลอกชี้รถหมาหมาปลากระปอ ica, ร๋อ яг, งกรมิแต่แนวแพงๆตัวหันนนะแมนยุใคลูกหนึ่งจักบาทหลคุณมหาวา่ oh. bat, ha, um uh าโอ้ี่บาทห้าบาทหรย่มใหญู่มนชาเดียวชไมกินข้ับสีบาทหาบาทก็ทุกตายท่นนั่นตัว ผู้ขากะซื้อแม้นหนึ่งกับแม้ต้มออต้มชุกแล้วกับปอกเปียกออกกับผ้าเครอเครื่องหนึ่งก็บหายหลานกินก็บหายม้นไป ล, ล้งหรือยัน อ, อีเครื่องหนึ่งเขาจะเอามะว้วาดโรดหาผู้ชาละหมดมอ ม, มคือเพ็ดใได้มุสิได้จำน้ำ <c oughs> ผู้ขาก็ได้คนเอามาจังได้จำหลายคนโอ้ท่าตัวนี้น่มไปยักสลัดเหตุการณ์เหตุอยู่เหตุกินเหตุท่าน เออดีละ ล, ะละ <ừ. S 1> ายนมแม่ใหญ่ขอบอกขอบใจเลยคอยว่าคือสเสียบอยู่ดอกปนใครจากควสิชั้นให้ดอกยมแม่แอะเสยยชั้นลาภผูบมพูบมากะแบคืขอขี่เจ็บเถอะโอ้ยแล้วสิบอก่ไปแต่อยากแล้วยเถึ อ, อมีแม่กระได้เนาะจะเป็นเบาเนี่ยมันคือแทนเนาะหเนาะไมใช้น้า ไ, ได้หลายแบบพีกร้อยอองแรงคือคืโหโหอหนักตัว่เฮ้เศาเๆร้เ้าพก็แล้งอยากก็แลังกินอยู่ก็มีแม่โอ้ยเอาเอาผุนทั้งคนงมปากเลผน อันไม่ออกเอ้ยขั้นเมื่อวานเมื่อคืนพ่อใหญ่ก็ดีเร้่อพอออกนั่งทั้งเต้นก็ดีเมื่อนี้ไม่ตํามันปนไขสูลูกสูผัวกินเล้เอไม่ออกเรืออะพอออกเข้าคือกันนะเถ้าเอ้ยตําปนไขสูกินเนน้าวสันได้ไปฟั่งเทปมันคือสิแสบวสันขันมันแสบจะืมอาจารย์ยูบาดเด้อไม่ใหญ่เด้ออเลืสู้เพ่นฉันน้าเนยใเอ้ยนอกจากปนไขสเลย แนวเอิญบกมีบอกไม่ไงแนวเอิก็ไดต่าแักท้วงใครเดนบอกมาชินนวบ่าตํำแบบเต่งเออแต่ว่าต่ำตตบก็ต่ำปอดวาเดี๋ยวเอามาไว มาตำสูตรหยอดอดปอดดังสันโอ้ยเอาไปชิมดงหวยท่างฟานมาผนไม้มาท่านดอกเบาบรับท่านดอกกันทัําตนี้แม่ยากรั OK บอากาถวายดอกญาติบาปเอาไ้ให้ลูกให้ร้านมันกินยุคนั้นผลดอกบอกราหนัก OK สอนยากได้กระตาเจ็บแ ม, ม่เมื่ อ, อ, อโะสองโคไปสันน่เี่เน่ ย, น ย, นยก็ยังว่าให้เอาไปชิมดงหวยผลลูก้านจะกินมันเจ็บทองบรยุทธีไ่แงไมแงแบบน้องแขกตาให้หัวผัวตรวกคนเออ หาเบาหาว่าบะมีดอกคนบะตบ่าบะเฮ็ดดอกหรือว่ามี่อยูอ่บ่นาะขันมีทั้งหลังยกมือบังกันน้อาอ้ยไทยิการงอกขนานนดหลังหยกบังรูมี๊เบอรแรงผมตามันสิด <c oughs> ดับเลอันเลแเน่วายุ่มเมยใหญ่อาหารเก่าเอามาไปเค่นก้อนม่์ใหญ่เอามาไปเค่นข่อยก้อนอีู่มะเอามาไปเค่นสะกกอนถามสักกันนะถามยังด่าหันเข้นจับมอมยใหญ่ไมีจัมือ มีสองโอ้ขันมีสองกับสองมือยกเสกเก่าเท่าเสกหัวสันตโยไม่ใหญ่ขันทวายมือยาวพอกับบุกรวดวัดถนนตัวนอสองมือบก่อยเคนขวงผามาวัดมาว่ายเดือยบ่อยๆดูดูนี่เหตุจังใดสันไม่ใหญ่ไอ้หมาหัวดีรวก็เงินกับเขาออกจากกั เอางินไปซ้อเอาไปแทงทั้งสาระเดิมหม้อผขาก็ได้กระตานไว้ายๆกับน้องคนยาตะลางเขาไปนรัวก็ได้หวาหวากับเียมงแบบพีกแหงเนี่ออกมาทำนอกเอาบบเาแหงนี่พราได้มีกินเฮียนว่าว่ามาเอาหรือไปนมาขนนอบาดมาให้หรือมาขนนอบาดนี่อันย่อมไม่งเฮ็ดมาดนรวบายจัดโดจักนานป็นได้ะจะมือขวัติื่ออะไุผ้นับัติมเรียงตายถิ่มจเหึงตัว ผักนักไปด่าระบาดนี่เมย์ไ่เอ้ยอันจามาเอาจังสี่นี่ยมันเป็นบาปเยมเมขั้นเอาเคือ่จ้ า, านเะนี่ยยมเมไนบาปตัวแนวน่ะบจักสันบอแบบอย่าเอาเมียแลวกับว่ากินพูเดียวจ ก, ก, กเกียกได้กปกัแก้วม่วาดคือเก้าน่ะตัว บ, บาปกิ บ, บาปนกันทั้งปาทั้งเน้นก็กินน้ำกั น, ก น, น, ก น, กนโอ้ยังมีโดกโซพว่วงไม่อีกนาะ มันเป็นอย่งสี่เม่ใหญ่เอ้ยกว่ากสีว่าบาปนั่นย่อมยากตอนเจ้าเอานั่นมันบ่ได้ขอเออแต่ว่าท่นเจ้าเฮ็ดมาได้บุญยุมันแหได้บุญน้อยคอยถามเนี่เจ้าเอาค้องวัที่ขึ้นบักบัวหอมกระเทียมแห่งยุข้ว่านี่หรือบปก่าเผานี่มันโดนน้องมาจะได้ขอบ่เปล่าเนี่ยม่ยใหญ่จะเก็บเอานี่ขา่อจ้าขอเออขอน้าผู้ใหญน่นย่อมเมีใหญ่ขอน้าต้นมาเอาเจ้าว่าจังไหนขอน้าตนเดยอะนี่มางาเด็ด มากร้าห่าวไพนอนหล่นอยู่น้าบนนี่ขอได้เดอ้อเออผู้ใดเออไม่ไ่บาทเอเอกับผู้ขา่าน อ, อ๋อผมเป็นต้นมักผ้าเไว้แบบห่าวแบบไหนแบบเป็นเออเป็ีนร้องพอบาดัดยุซื่อแต่สวดอุบาติแปดหมื่นเชียคืนทดแล้วโอ้ยเศร้าเศ้าย่ายเออเด้อบาทนี่เนอ้ออาจารย์มหาเมยูเนี่อยากให้ย่มมยจะตกระนกบกใหม่จะเป็นผีเพลิดไม่ไงผู้ใดเอาของวัดของว่าบด้รับอนุญาตบาดข้ามบ่บาเด็กหน่อยผู้ใหญ่ ไม่ใหญ่ต้องขอสักคนอย่างไดพระขอหัวกระเทียมแหงหรือบอกพี่เข่งเข่าแหงหรือบอกเผ่ า, าเจ้กกาต้องขอพระอยูอ่ในบัดสักคนเดียมไม่ใหญ่เด้อให้เพื่นอนุญาตบาดค้ามหล้วจังเอาบวเป็นอย่างไม่เอาบิกอัพคนเอากรบบบาปเดียวไม่ใหญ่ขั้นเพื่อนอนุญาตเดาจื้อไปได้ใหญ่บาดเด้อใช่ใช่ตอไปยอมไหมจะจื้อเอาเออจังสันลับมันจังสมคนเขาว่าถ้าต้องศึกษาบอกขาใจกระถามเอาเอามาประเขียนใบาดเดียมไม่ใหญ่ เอาไปไปเข็นไบแข็นเบดกะตาหนีบเอามันไวไงเดทกกระตาเจ้าเอ้ยกะตาโศกงาแหงวกกะตาเก็บบมอญอันซ้อนเอห่วงกระยาเอาห่วงมันเหมะถวายบดกะตาหนีบเอาเอาบ็ดนี่แหละก็เสียเปี้ยนเอาถักห่วงมาเจอขาดในด้วยละเออเอานี่มอญลาบอ๋อหนึ่งสองสามอบเอออบอ่ะถอยออกไปจักน้อยบาทนี่เออจังสีตัวมาบาทมาบาทจะบอกขาดทุนถวายด้วยมือตนเองนี่แหละย่อมไวไง ไข่กะเพราข่าเสพรอนเจ้าสันๆันยูดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงอายุวันโนจูข้างพลังสาทุบแช่ไม่ใหญ่แบบนี้แชเออสาุเออโอ้ยใช่ไหสาทุนยาวเนาะแล้วลรได้ใหญ่แล้วเะาด้แล้วดัดดีเมนอุ้ยมากินง่ายนี่ง่ายจริงหอายุวันโนสุขางพลังแล้วแลวพน่ะเออก็แล้วตอนนั้งว่าให้สันข่ากะสิยเพาเป็นงานเนาะสันันพกกะเสีาคือกันทันะเออ ไปช่วยกันช่วยงานเพิ่กัน oh, โอ้ไปเซเขายินงแต่ว่าเมนูพออ่อนในเพจนิยนม ย, ยั่ <c oughs> oh, จ้าไปช่วยเพิ่งบอกไปช่วยเพิ่งหันละบ่งนั้งยังเดียวกันยกใครกันก็ช่วยกันชละหาทีเพิ่ที่โตจ่าสีช่อยหลายเพื่อนใไม่ยั่เอยกับ่าช่วยหลายละผู้ขาดดุผัวกับบ้ามีอาศัยกินจะนะอาบอตอบังข้อเผาให้เรือนทหารกอย ก็ว่าทีไหายจับสาวบาร์ธรรมดาเล้งพอได้จับสองถุงหมดเล้งเนี่ยโอ้เอาเอาแล้วแจงไม่ไงพันมี่ขั้นพันมมีเจากระยจมใหมเฟิ่นเดอร์ควนเท่าเทียมกขาดกับเคิรนเม่จ้ช่ขั้ัเนเจริญพ่อนกับสซ่์โยเมออยูดีมีแห้งบัดนี้ยายบุญเมรับจินรับพรจากพระคุณเจ้าเฉิดจับแล้วก็ได้มุ่งหน้ากลับบ้านพอถึงวันใหม่ยายบุญเมรจึงได้ร้องเรียกหาบุตรสาวของตนออกไปว่า c h á n ơi, ơi k ẹ o của nhẹ bữa thằng à cho mày lốm đầy lốm đì, hóa thẻ hóa t h ả y cháu à lốm đi s ẵ n cả đò cả điạ, tao m á vô này lốm và để yốt để dọn, không mày c ố n là c h ạ y khát phá dị t h ằ n à cha n ơi, ủ còn mày này y anh như t h ằ n thì h ằ n à เจ้าชีละแม่ยัยเอ้ยลูกคมณหม่ำล้านคุหม่ำนี่จะแมมันเป่าเปียกปากเปียกปากแทบไม่จักเวยกบนคันนั้นหนึ่งเข่าหนึ่งปากรบว่าเป็นขันให้โท้อระชับประชันเบิ้ดมือเท่าคำมันกัดโทขคันเท้าถามมันผัดว่าท้อระชับท้ฟีตเมย์ฟีแมย์เมื่อหยั่งกูพี่เป็นผู้เสียมเงินคอยว่าออกจากคันก็ล่องเพ่งใส่ไก่นี่นี่ ต้นเหตุทั้งหมดเป็นเพราะความสวยชิบมีเผาชิบมีเมยมันหยังแบนบนี้จันเออมัดเนะ หน่อยเย็นไวก็เดือดุ่นย่วขอหลับลองเบาเสียนายตาได้ฟังเดืทันนี่เอ็นานินทาดีนางนาฉันสันมาเสนอทันนาขนป่าทันยาเฝ้าเคียวฟังตอนต้นสีซ้าใดือดเม่อเอนาง จฮันสุวรรณเสด็ขอเมอกเว้นนณะแสดงดำจำเวเดอคุณยูมบนสะตานนองเน่าอย่างนะยูนกลางทางยังมีบายขั้นไก่ไปบวกมู่เจ้าอย่าลืงงานนะวงจังไห้กุนตำบนนาวังคำพือเมืองนะจังหวัดดำนาจาร้น เป็นสำนกักของผู้คากันฟังแล้วให้เชื่อหุ้งนะทอนละนสำ น, น, น, นสันสูนแป่นเจนนะก่อนหกสูนสองสูนสองสนเมย์ใหญ่อ้ยนะสูนแป่นเจน สองเสียงหานเก้าเสียงหาหนึ่งนะหล่นย้นพันตั้งแต่ซอต่อการตั้งยืนขันไปทางอำเภอเรื่องให้ชื่อจำดอกเกวางนะ เลือนสิไปดอกทั้งกำเมืองกำนานกำน้ำเปียงนยะตามผู้ใดก็ต้องหูบานจันยวติดตะนนคคนกันิส้ใสดีบองคุยดอกควมบองนะฮวนฟังเื่นบานเนือนมาเขาในเน่านตามนาเทียมนะ น้นยุมบาน้นยุ่ม mềm ขาดใหต่งต่งแตนไขบ้านเสือนแตเสือนมโนนันลาเดอแตเมนยาเ ดวรูกาตโตเป็นีอตมาภาพจะได้หันมาว่าหน้าที่ของสาวจันดีสืบต่อไปใจความว่าขั้นตื่นเช้าขึ้นมาจันเดีได้วินวาจีของมันดามาเรียคาก็เลยล่องต่อแม่ของตัวเองขึ้นไปว่าแม่เอ้ยแม่จ๋าจ๋าเหอเ่มันคือบอกสองยางจังสันแม่ เจ้าแมวขวากดุขวานเต่าเตด็กแตเดินเตเสาเตเสี่ยวนอนแม่ข่กับฮงคำล่งนอนอยู่แม่นอนหยังกระดระแต่ตวตอบดักก็เหงืหลสินอนไปหยังดูมันไปจังหันแม่ในลาเจ้าคือบ่ไปเองแม่จังหันเบียรผู้เฒ่าตัว มแม่ย้หมือนเจ้าปวดฟ้าเขาเข้มขาหนังแต่ยันงลง้วงผีคิดอยากนอนบ่เอ๋ยมือก็นั่งบ่บ่มันก็สีมาต่างจังหวัดให้เจ้าปวดหัวล่มออกงานถาดพนมนี่แม่เอคอคออยู่อ่นแตงแล้วล่ะที่แม่แน่วสิไปจังหันน่ะแม่จ้าแม่แตงแล้วกัไปด่านนอนบระธนตื่นผลัดลูกเอออัานปี้ยงไกลบ่แม่อันบ่ทอดเนื้อบอ่แม่อ่บาบ่ เปลียงหมูบ่แม่บ้าไทยเจียวบ่แม่บ้าน้ามันที่ฉ่อกยงั้งกระโดดแต่แก่แน่วมฉ่อกุมานั่นบ่มีจักย่างหันนะอันเมื่อย่างสินแม่ที่แม่ว่าแทงแล้วสิไปจังหันน่ะแม่จ้าปลาทูเข็มสองหัวแม่หัดใส่ถวยน่อยเรียบเลยแน่วไปจังหันปลาทูเข็มสองตัว สองหัวสองตัวหัวบางที่ทกู๊ยังกูเป็นโครแตกไม่หันนะเอาจันท์ว่าเมียนแม่ว่าผิดบ่แมนติแม่บ้ า, บ า, าเนวไปจังหันปลาทูเข็มสองหัวตัวมันไปใส่แม่ตัวมันแม่ไหวถักเกียมแมวน้อยเอาคือบอตัวมันไปเอาหัวมันไหวแม่จ้า พู้ปฏิบัติหนักๆฉันหัวปะทุเข็มโดยเฉพาะมองตามันหลบโล่น่ะยำเดีวมันมันดีเพันมาโอแม่ก็ได้เอาหัวมันไปเอาตัวมันไปถักเกียบแม่ก็เทิญให้เจ้าคือโบจิมเอาตามันไปซีนวยโหลดแม่เออให้เพี่บอกมาจักก่อนเดี๋ยวแม่จัดให้เปิดมาเถิดงานโยมอดีศักดิ์ผู้จัดการวงดอกกระเจียวว่าวไย่ยางดีแม่เอ้ยอันแม่จ้า แนวโนนล้วนนั่นมีโบแวนั้นหัวกับมาพิผงล้วนน้ำประแดกแต่ว่ามีผงสีรดเออเด็คเล่นขับไปซสือล่านค่ะแม่บรแข่ข้าวเดี๋ยวน้เมนอะพอเด็วคเล่นับไปสือล่านค่ะของทุนไะไรมันเปียนพอสือมาสีใดใส่เอ้ยกระตานไว้ยันยๆนในย่างข้าไปขววัดหมื่บ้านผู้เห็นซ้อมหนึ่งบัตฉันสียูเอาไปสีใส่ยูวัดผุนเออเม่เอ้ย ขั้นเวลาไปจังขั น, นไปนางบอได้จันกแหงบเคยเขาวัดเขาว่าไปจังขันจังเพลน น, นเดวเพวาเเวึกว่งพิ้งวิ่ง อ, อันไปวัดนะมันจะไปนางได้ทักไต้พูทธเ่าหันนะเอาก็ น, นั่งหลังทัางด่านหลังไม่ใหญ่ตัวให้เบียนเล็กน้อยเบ่องนั่งทั้งด่านังพุท่เม่สดายได้หยังโพดได้หยังแม่ให้ไป น, นั่นงใสเสนแม่นั่ง ลงผ้าเอาคือบอให้นางหนาหล้วงฟีเอ้านางหนาวล้วงฟีมันก็เสือแต่ลายถวยนั่นแล้วเป็นอย <Interior. S 1> ่างแม่อเอาอย่า้มาล้วงฟีข <et> ่พนดีพันกบฉันแฉบฉันนัวพันเป็นเลลกเล็ต้อยพก็ฉันแก่งถวยแก่งฉันถึนตัวโอ้พันสีสันหนาวล้งผ้าแข่าบ่บ่เด่นเนื้อตอนเดียวทุกแกงก็เลือหมดตัว อ่านพันสันอิ่มแล้วเห็ดยังไงแม่พันฉันอิ่มแล้วพันบอกว่าเอาไม่ออกงอกรบไปโูกก้กัดกออินที่หลากเอากระจาดหน่วยใหญ่ๆนี่ยเทียมขำไปโน่นนี่กระตาเกี้ยใบม่อนนี่ โยกล้มแล้วกกะตาเจีบข่างปะทุด่ายๆปคอตูง่ๆบเวอร้ปบสมเช่บแเชี่ยบปะแบบเว่ย่าๆเทใส่กะตาอาจจะเนี้ยเหงๆมันจาวเท่านําดยมันถึงจะเสร็จลายพอถึงกะตาเรผ่าเส้นหนาพิษปากกะตาึบหนูเข่าเจ๋ผ่าจะคอยมานางกินน้ำมือเออเดี๋ยวเสียวไม่กินรืแม่เอ้ไปก็ได้แม่จ้าเออมันจะลืมเด้อหลักกูบ้านหนึ่งเขาเพลนได้กูจะถ่ากินน้ำมือเออจะลืมเอเดีวมาชูแม่กินเด้อลเด้อจ้าจ บัตเน่เดียวเดียเดียวไปกัดแจแลีวัติแม่อตื่นเหือนโเดียวเดียวเดยวานโดม่แม่ยังกม่แม่ให้แม่ผักเันไปทำบุญน้าพันแน่เห็นว่าเราถวยเจียวไข่เฟียดเบือนี่แม่มันสีหอดบาว่าเร พอดีหละแม่อสบานเนี่ยกปลว่าสีถามัน้ำเจีาอยู่กําแพงวันยังพอดีอยู่อม่นรถปิกอัพก็ดับกำลังดึงแต่เยาะเปลี่ยแบบนี้อาว่าแม่หยวกูหาปัญนโเ้ยบ่ไปแต่อยู่เลิกอยู่นะออกเด่๋ยวนี้แม่บ่เลกบ่ไหนจังไรเดิกหาเจอชอูจงหวัดก่อนแดอแกันั่งแบต่อไกูน่กับครสื่อหาฮกออกหาเกิดิเตะคอปูจังหวัดก่อนแล้วือดกั่งแบบเอปัญหาเปนคือสื่อโยนสือยชน์กัน แม่เอ้ยเจ้าเบิรจ้างบาทเบิรหาบาทคนกฐาหมากระดมมุนอุ้ยปุ้ยกระมหาบาทก็มาบอกพี่น้องมึงเขีับงเออแม่บอบี้เหรียนเด้รูเออเงินใบเพิ่นเก่าดอกแม่ไปทำบุญหนิแม่เยเงินใบจ้งไหนเอ้ปูหัดจะรับจะกอาเบต่ออันบ้านข้อมาเมา่เช้าไปเอาปุงขุนน่เอาปุตต่อมุนบ่มาให้เอเอาโหลดแม่ทำบุญนี่ทำบุญนี่เบิรใบโหลดแม่ ทำบุญตอนมีสัต tha เดบล่านเพ่นวากินพว่วมห่อนฟ่อนพว้วมเมาเอาพร้อ ม, มักทำบุญตอนมีสัต tha คั้ น, น อ, อื่นเหมื อ, อม้ยเจ้ามียี่สิบล้านบ่มีสัต t าบ่ได้ทำบุญในเมื่อเอาลวดเงากูดีกว่าจ้ะบ่เป็นยาดอกจากให้แม่ได้บุนเออนีหลจ้าัานแม่หาแล้วจังสีเออมึงอย่าเลิมบอกพ่อพันยวดประกาศชื่อกูดัง ด, ำดำเด้ออาจารย์มหาปินน่ะบ่แม เอาวันท่ามดาบอกโอวันพาไงโอวันพาน้อยก็จะประกาศคนไปบ้ายโอวันพาไงบอกว่าแม่ใหญ่บุญ oh, ม uh, ีบริจาคทำบุญค well ่าน er ้ำค่าไฟห้ารอเอาจักสามสินพลเมมือมากค่ะบ <Okay. S 1> <Marie. S 2> ูชาในแหงประกาศจักสามเพื่อพระผู้ใหบ้านแข่กจะลืมบอกพ่อผู้ใหญ่บ้านประกาศชื่อกู้อีกเดือดเสียงตามสายให้พ่อผู้ใหญ่สวยบอกประกาศเอบอกว่า แม่ใหญ่บนเมบริจาคทำบนห้าลอเอออีกสามเศร้าขังกูหาแล้วจังสิกะจะว่าจะูขีดที่ขีดที่หลายหาออันะบันห้ากูหแล้วนั่งสับลาดจังไต่เนี่ยกาหายที่กูบ้าหานะโอ้ยบขีที่เดีแม่เจ้าเปลียนหัวหน้าหัวตาทาบนต่างวหาลอยจ้หน่อยแหละแม่นูพ่อนพร้อมเลยดูห ล, ลานนี่พนสิ้ผ้าดูผ้าหลานพันมานี่แม่ เอาตายเว้ยไอ้จะลืมเอาแต่ไมาชูกูกินเด้อเออบาร์ขามวันฮะบาร์ขามวันมาหักกระอป๋าแม่เลย่าลืมเออกลุ่มฮอม่าลืมเงินทอนกูสี่รอยแปดิบห้าบาทเมียหยังกอแเม่เงินถอนสี่รยแปดสิบห้ามันมากแต่ใส่เออก็ไปหาดอยหั เอาคือว่าถ้าบุญหาลอยเออก็ท่าบุญหาลอยนี่แะแต่ว่าทอชีลอยแปดชิ้หาเยเจ้าท้าบุญทอดแถอแม่ข่อยครึ่งห้องเทอแม่เฮ้ยแต่มันอีอันนี้เนาะเจ้ารักกูทนบุญหาลอยเออเนี่ข่อยเห็นยนี่ใบหาลอยเขียวเปื่อยู่นี่แม่ท่าดว้าก็ให้ลอยนึกูท่นบุญลอยหนึ่งกูก็ให้ใบลอยกูทบุญเช้าแกูก็ให้ช้าแใบเ้าก็เจ้ารักกูทหาอยเออท่าบุญหาลอยะว่าทอนชีลอยแปดชิ้หา ก็หล่นงงวมดละละแม่เดียวเนี้ววันีบบอกอาจารย์มาหาปิ้นดอกแม่มเสงแหงเออกับแม่บอกพระแม่ใหญ่บุญมีบริจาคทำบุญ500รอยเออองบัญชีบอ่เออวงเล็บอยู่บ่เออวงเล็บเปิดแม่ใหญ่บุญมีบริจาคทำบุญ5รอเออกะบอกว่าทอนแกวงเล็บปิดมันติด้ยยเป็นข่อยปึกเนาะแม่เนาะเ็นบเจ้าแม่ กานเอื้นนมแนวมาชูกูกินเด้อใช่หัวเด็ดกินขาดแล้อย่าลืมเงินถอนกูเด้๋เออลืมเงินถอนกูแล้วกูได้ขาดไปถามเอาน้ำผัเด้วยนะ <c oughs> บัดเน่ <c oughs> <c oughs> แสดงในเมื i, Na, ่อเดี b b Na, ๋ยนะคนบอกเสือน้ําแฟงบูฟังเอื้จฉันได้แบ่งลูกสาวไปแม่บุญมีสีฟ้มนะมันทังหาของเก่าไปจากหันน้ำบ้านเปิ้เดโนฮวนบึงของกินหลอดคือเขินนะหวน ma thu tôi nói nói tăng bà là được treo quần mẹ nhèo ơi à n g t ầ n ta nhảy xăm cả đ ồ n g nhiều loan hoan ไปวันมาเอื้อนยางไงคนยันมุ่มองทั้งหายนะเมีใหญ่เอื้อนก้อแข็งไม้เอื้อนจันเดือนเมีันบุญเยืนกินตะเดินหนหอมนะย้มไปวันแต่ละเดนของกินมีน้อยน้อยมันกำบ้าในตึมถุงนะนี่แหละนอยุ่มนอนนี่คือคำว้าปืนติบรรดาในขั้นจันจูนประเด็นสำคัญเป็นว่ามาอยาไกลบ้า นะเอาละฉันได้ตอนนีตามวิธีไปวัาญัติฟุ้งคอนไหลลังเข่าขันหมาเต่าว่าค้ามบุญนะบ่อนพ่อข้าวไม่ใหญ่บุญใดหมาใดตามดังฉันเดียเองนะฉันเดียวเองในเวลากันแมน ตูมบ่มาันเตี่ยมนะฉันก็เลยไก่สีแม่นบุญเมียนอยาเก่าเดินไม่ใหญ่อ้อเลยไงจันจันดมานจังหันมือนี่จะมีเรื่องดอกเรื่องอย่างนะแล้วเมื่ไปแบบบ่อยังเรื่องของแม่บุญเมีนหลานอึ้งซื่อกะดีเสียเทียนฉันแม่บ่สมดอกว่องวองน่ะ แมนของตัวกันย้ำเล่ามาวัน่านกินของวคนนะมื่ย้ำได้อนบากเจฉันเดือดชักจังป่าจากจังครนะคุณไปกินอยู่บ้านไปจต้นแดนกาบ้านเศร้าอู้นะ chẳng còn ba còn cha lâu m t bàn c á n u ầ n t à là đ ă n g ơi sang bên ai tháng bàn dù mưa sâu lương lửa anh miền nhảy ơi chân đ ể nắng cả l ờ i Sầu u miền còn hú mẹ còn ôn t i ề n n i y đi c h í n kinh mà là giang n i ê kinh sa la bệ c m a o ạ n thân là đức là nho an. โอ้โหอินน้องเมย์ใหญ่เอ้ยอันคอยกับบ่คอยได้มาวันมาว่าปันได้ดอกตื่นยื้มือเศ้าหนึ่งเข่าแทงเน่าอยากเน่าก yes ินใส่กะตาจังหันให้เมียลักกะไปลงเรียน อันเมื่อนี้ถือกะตาจังหันยางลงเฮือนมาพี่น้องห้องถามแซวแซวกูไดถามก็ถามกา ม, ามเดียวกันไวมัม่นาดกันไว<ป>อีหลายนา่งเอ้ยท้ายอีจีบิลากเม่เบื้งบอมาตีแม่นตูบอมาตีพานาวาบ่อนลักกัหัวสียุ่มหยุ่มย่ำหยักไข่เบื้องหลักคือส่งเหาะส่งเยยไข่ยข่กระสีถามอาจารย์มหาปินหละเพิินคือพ่อสิงหัลระเข้ระไข่จักเล็กจักน่อยอยดกดี เสนอไปจังหันบนลเดนะ้ะมา่คือมีซีรีสทเนอะคอยคือเ พ, พื่อเบิพี่เบยมากกนมูงสีนอคุณอาจารย์เนย อาจารย์เจ้าค่ะโอ้ไพน้อระเกิดอาจารย์มหานโยโย่ไม่ออกเอ้ยมาทั้งผีไม่ท <Smooth> ั้งผีไม่ทั้งกุฏีผีมาเอาไปจังหันกุฏีส่บุณอาจารย์เอ้ยมผีก่อนมาผีก่อนซาลาบุหัในเปิดมันยังเศ้าอยู่มันยังเหมือดอยู่ไฟกับวันในเปิดศาสต์กับวันในปูมา้หาผีหาอาจารย์มหาทั้งพีสัก่อนมาถามมูสกก่อนใส่เราพ่อไงไม่ไ่เพื่อนไปสเรามันยังเศ้าอยู่ก็ยังว่าถามมูสักก่อนเออการเราบารพระเจ้านั่นเออการเร็วตัางต่เพราท่านห้องหาคุณ จานพอดีผู้ขากาบแลวกันเล่ยเอินเออเอ า, เอ า, เอานางต้องสักกันถามโมสักกันยุคตีนี่ไปเปิดสลากมันยังกุญแจบอสไหนเปิดสันเด้โอ้เออถาอ่ายยุนี่สักกันแต่ไม่ใหญ่มากจังไปสลากผอมมันก็ะดบวบเป็นยังอันห่อยเจายา้ายุ่เสเหล็กก็ได้มากเจ้าเแต่ลูกเสาผู้ใดลลหันนี่ผู้ขากบนผู้ขากะยุบ้านแขนีลาโอวันแขนีตเออลูกบ้านผู้ยเยนีลโอ้ติเอออันห่อย อันแม่เจ้าเป็นผู้ใดล่ะฮะนี่อันแม่ผู้ขากับแม่ใหญ่บุญมี่แม่ใหญ่บุญมี่จำกาตาบ่อไรเหมือนเห็นบ่จือไดบ้องกาจืดใดยุกาตาแต่ว่าคนจืดบ่ใดที่ละนอกอ้อผู้ขากับบ่เคยมากขันมากกันเน่มาฟังบ่ร่ำดอกกับเจียวกลางขึ้นหน้าอยู่จะเป็นหนุกสาวของเพื่อนจ้าโอ้แม่ใหญ่เพื่อนไปใส่โยเมไปใส่อันแม่ตื่นขึ้นมาแล้วว่าเป็นบื้บวัดวัดขสิเป็นวัดเลยใส่ผู้ขาม้าเออก็ดีละละแม่เพื่อนกะเอาบุญหลายแล้วบัดเพื่อนขึ้สิเป็นใส่กลุบายให้หูกสาวมาเอาบุ แซนด์เออเหตไใบเจาก็ยังเด็กยังหน่อยเป็นเศษเป็นเสาวบัทฮาแถวเกแมเออมันงซ่าสมใบเทเรกเทหน่อยมันกันสิร้ายขึ้นเป็นหอเข่าเป็นน้ำเต่าไปในผ้าภากหนาสตรว์ดีเราละดีเราดี่เราดีหลายอานอาจารย์มาเอ้ยอันในยินเต้ผู้เถาผู้แก่คนว่าขันม่าวัดม่าว่าจิตใจละเรื่องเบิกบานมวนซึนหันหาวเออ อันบาดผู้ขามากมาคือเศร้าจิตเศร้าใจเทอ้อาจารย์มหาเศร้าจังไดนอละไม่ออกเอ้ยอันยางพาบานมากผู้ขานลบบก่าเงยหนาเอาเป็นอยังบกา่าพี่น้องห้องถามแซวแซวอืมอีหล่าอีน้าเอ้ยถ้าอีหยิบอีหลักแม่มึงบอมาตีแม่ตูบอมาตีพนาวาโ อ, อ้จะยินคำนี่เลยบริจากเงยหอดห น, นาเศร้าจิตเศร้าใจบานีคุณอาจารย์มหา พ่อสิหูบอว่มามันเกี่ยวกับแมยผู้ขาบอรเอรื่องไล่เลื่อเรื่องดีพ่อสีบอกให้ผู้ขาฟังได้บออันเรื่องนี่มันเกี่ยวกับข่าวขัวของเจ้าเกี่ยวกับโตัเมยของเจ้าเสน่ห์ม่ออกอั น, อนโดยตรงเลย่มีนบอกแมนอันเรื่องไล่หรือเรื่องดีอันเรื่องทั้งบอดีแล้วเรื่องทั้งเสีมเสียเรื่องทั้งขี่ไหลเป็นแต่อยากไอ้พร้อมท่นเดอ้อเนาะว่เป็นแต่อยากอายยอดหลังเทนอปานี้แม น, นแมนอันนี้ม่อนบ่อยผู้ขาฟังแนะ่แ กบเล่อยโยบัดอยู่วากระสันเข่าหยาดย่อมเดาใช่เ mmm ้าพื่นหยาดพื่นย่มมันกับพิดวิสัยฟองผะโอ้ยก็บ่เอาแล้วแต่ย่มเบาพื่นกันเพิ่งพิดกันสั่งกันหน่อเชื่อมาตัวฝ่ายก็ไม่พิษกันเสมออย่างนี้อันเบาจังสี่คุณอาจารย์มหาเอ้ยให้เบาตามควอมเป็นจริงบาให้เติมบาให้แตดงอืมขัณนอาจารย์มหาบาเบาผู้ข่ามาสิหูคนท่างแก้ไข ขันคอยเบาไปเจ้ายากเขียดให้คอยเด้จะทั้งเบาเขียดทั้งบาไปเบาให้แม่ฟังพงร้อมเบานีก่กระทิมนีแม่เบานีกะทีมนีขันจักรสั่นคอยสีเา้ายุกกะกาเบายุในฐานะว่าเจ้าเป็นหนุ่งสาวแต่ขันผู้อื่นนีคอยบาเบาแล้วลนะ่ะเจ้าอยากฟังเรื่องหยั่งล่ะไม่ออกเอ้ยว่ายากมูจักเนี่ยนะเอาไทยอียิปก่อนไทยอียิปต์ดิจา้าไทยอียิปมันเป็นจังสี่เวลาถวายพระเขา่าแล้วแม่เจ้าสีนั่งอยู่ทั้งหนาเออ่อยกะสิสั้นไปนั่มแม่เจ้ากะสนทนาไปนั่ม แต่ว่าสนธนาตอนสนธนายูนันตาพระนี่ยเบิง่งผาาเข่ากับเขา่าอยู่นนในภ้าเข่าเนีใยอะไรเป็นตะดีกระจองไหวได้ในใจนอันเนพ่อก่อยฉันอิ่มแล้วเอาย่อต้องไปพ่อยหยไม่ออกเขานี่นะไม่ออกหน่อยไม่ออกยายย่อไปสูกันนเด้อเม่์หยบนมีชลูกปูปกุญเือกตาหน่วยบอกยายนี่คูใจพนดีลูกกก้อนมูวเลย เอาปิ่งไก่เน่เอาปิ่งปลาแน่ปิ่งปลาลุกปลาคอเน่เทศไซกาตาบักสมกะเทศไซกตาบักกล้วยกะเทศไซกตาบักขามหวานกะเทศกตาเทศพ่อก็พอใจละผ่าพาดว่าโพกปากตาอนูกะเจ้าฟ้าผุนป่ม่มบบานในกับมานั่งกินน้มูอีเด้บาเออกินมาบ่นอ่ เกเอาเจียวที่สองไปใส่กระตาอีกได้บาทหนึ่ง<อ>นี่เพ่นจังเอินว่าไทาอียิปเพื่อนว่าหยิบกับเขาบ่ากั๊บนาก้อนหมูโบปันมูปันพวกนะโอ้เอาเศษสลอคุณอาจาร์ฉันอิมแล้วไปใส่ ก, กะบุงกระตาของตนเดียงบอเบียงพีเบียงน้องมูพวกบอกว่างที่มาน้ำกั น, ม, นมูเพื่นกรเลยใส่สายส า, ยาว่าไทอียิบแม น, แมนยูดอกคุณอาจา์เด้ป่าแห่งยูตูกับเขาผูกขาดนะวั ต เ, เ, มมเต็มพอลออยู่บบอกจักเถ้าูเขาว่าอีเมียอมตสแล้วคือสื่อทอนเวไหรแท้ไวชนดอกกาไปตะ ว, วัดเท่านี้หละนะเออบานีไทยอีรักเด็คุณอาจารย์เลยส่วนไทยอีรักนคักก่าไทายอียิปป์อ้าวันคือว่าจังสันมันเอาหลายา ม, าามันหอเดขายพุนเด้จะว่าเอาหลายเนาะมันไปเปแต่ลวยอเทเออลวยโบ้ลวยกรสือวดแกเล่าันดา คือบกบวหัวหอมอยู่ในขั้วของเข้าหรือบั่นเขาก็บใหญ่ๆนอกไปก็มาท่านใสมูุแล้วเกากาดก็เลยเก็บใบของบวไปขายแล้วก็หอยไปในรัวของเข้าันหามันขาดเคลือนเนี่ยก็เอาใบหันแล้วก็มาแล้วก็ดูเอาเอาูมือซูเบนโดยที่พได้ขอขอได้าะได้เขาเหงนแล้วก็เอาากได้พักหอมเหงก็เอาบอกพิกแงก็เอาแซนเ บอกผ่าบอกค้วานโม่เี๋ยวก็สันเอาเครื่องเา้าวหนแล้วก็ทตเอาเลย<อ>ขันเอาเนี่นแล้วบอกขอข้ขอข่อยกับบ่าวบาเเอาเนี่ยนเพ่นว่าถ้าอีรักคิดคักสองขัมนี่คือคว่เขาได้ข่อย่าท<อ>เาก็เลยบอกออมๆจักน้อยน่บตรงตรงบรดาเออก็เลยว่าถ้าอีรักเออถ้าอีักเพ่นว่าักเอาของวัดของว่าเมื่อบ้านเมื่อเฮือนแมนแมนยูดอกคุณอาจารย์เนยเมือวานผัวขาขึ้นไปดตเขามาสี อ, อันยุคือเล่าผัวขาพักบัวกับปังเทียมเป็ดสาวด ายแหลายทนลบานตป็วคนอันม่นพอดีกินก็บมี่เออกับไปตวตวนนี่ล่ะไม่ออกเอ้ยเอาบ่ได้ขอจากพระสงค์องค์กเจ้าคนเอาเนี่น่เพื่ออื่นมาไทยอีรักคนอื่น่าว้านเทาก็ว่าลักนะัก้องวัแต่นนรอยเอาวสันสาอันบานึ่คุณอาจารย์เลย อันแม่ผู้ข่าหยิบว่าเนื้ออยากเน้อกินบ่อปันพีปันนองเอาของวัดของว่าเมื่อบ้านเมื่อเคื่อเนี่เล่าสิบาบ่อบาบไม่ออกเลยบาปอยู่ดีแมนบาปใหญ่ปันไดญเบิ้โต้เด๋ออุ้ยบาปบิโตเลยแมนอุ้ยมาบอกเป็นต่านเต๋อบ่าวาเด๋อน่าพูดได้เหตุหนึ่งบาปเสนอว่าวัดตนโต้สันตนา ปานนี้เอาจังได่จังสีบ่บาปกินจังไถ่จังสีบ่บาปคึ้นอาจารย์เจ้าขากินจังเอาจินก่อนเนาะจ้ากินจังไถ่จังบ่อเป็นบาปดีอันเวลาไปวัดไปว้านอันยาสีอย่างไดคือทอดแต่แท่งบ้านไปให้ลูกให้ร้านให้ผัวเรื่องบ่อยากขัวก็ยันแต่บ่อด้อยู่ได้กินเวลาเนาะเาเขาล้มมากกะจะเฝ้ายิบใส่ถุงขอบแขกจะสีเฝ้ายิบใส่ปนโตจะสีเฝ้ายิบใส่กระตาจะของบุยไหวเที่อวกรมู กินน้ากันยิมยิมชอบกันจังเอาขันกินน้ายิมกันน้ากันยิมยิมขันมันบาเวิอยู่ในผ้าเข่าเนี่ยจังแวงกันกรบเข่ากราบหน้าเออห้หมูกินยิมซอบกันแนวนี่บอเป็นบาปมูกับหักมูกับแพงขันกินไปหนําหยิบไปนึ่งนี่ก็สั่งเพื่อกันจะสีเหตุเสียสิเอานี่ก็บาปเพื่อกันโอ้บอกง่ายๆว่า กินไห่อิม่มน้ำสําร้านสูขู่สูขน้นสากรออขั้นอาหารเหลื อ, อกับจังค่อยเอาอ่านกินแนวดีบอบาบกินแนวนีบอบานนน บ, อบาโอ้ ย, อยสพอบอบลลั่นเพลินว่ากินเปลี่ยนบอบาบนอกคุณอาจารย์เนาะเหลือจากแต่มันมันเหลือแล้วกับแวงกันแม่ขขนสิร้ายไปไหนกับสร้างบอบาบเราไม่ออกเอ้ยถ้ามันเหลืออยู่เหลือกินกับแวงกันมีเก่าคนซิพ่นกับแวงกันเออบานนี้เอาของบัตรของว่าเอาแนวใดีปีที่ไหคุณอาจารย์เลย โอ oh, เอาหนต้องขั้นเอาของวัดโบบาบเี๋ก็คือขออนุญาตจากพระสะกกน oh. ทางอุวัตยุวาน่านะนะเป็นบักพาวเป็นบักคำหวานกด็ดีเป็นบักม่วงก็ตามต้องขออนุญาต จ, จากหลวงพ่อหร้รอหลวงพี่หลวงดุกหลวงนาเขาน่ะขอสกกน oh. ันเว า, าเอาา อ, อเอาซาบพออกไม่ออกเออพอเป็นอย่างอนุญาตว่าันเออเอาโรลดพอเป็นอย่างเออเอาเนี น, นั oh. ้นพอเป็นอย่งางอนุญาตให้แล้วเออเป็นอยังบเอเป็นบาปเออแต่เออเนี้นี่พอเป็นอยาง สิขอเห็นอย่างคุนอาจารย์เนยเจ้าอาวาสกับเฮาตมมลมาอยู่เจ้าอาวาสกับเกิดรุ่นเฮ้าตัวเอาโลดสิบพราะบ่โอ้ยบอกยังว่านอกกัยังว่าขอเป็นเจ้าเป็นจอมเป็นของรักษาเป็นสิเป็นหุ่นหูคุงเต่าเฮากให้ความกรบสันตวคือของเจ้าอยู่บ้านเดี๋ยวเขไปปิดเอาบอกงงเจ้าสิเียจค่อยบ่หันเด้อโอ้ยนี่ขึ้นนพอพูดเฉยบ่คว่ำดวนลองเมืองในไหม่วล้องเมืองนแคมือกันคือกันของมีเจ้ามีจอมเดิม่อยบอกเดิมอ เออเบอเท่านั้นแล้วบาดเออโอ้ยผู้ขาเข่าจิตเข่าใจล่วบ้านี้ผู้ขาสิเป็นแนะนําแม่ผู้ขาให้เล่าเศ้าปราพติปฏิบัติที่ผ่านม้ามันบอดีแนะนําไในบอ่ออันได้อยู่เแต่จะจะไปหายเม่ได้หรือเออคุนอาจารย์มาหาลืมถามขั้นเวลาคนเอาของวัดของว่าเมื่อบานเมื่อเพื่อนบ่ได้รับเมืโดยอยาิเอาแล้วอยากนั่งกินบ่ปันพีปันนองขั้นย่มตายไปแล้วไปเป็นหยังโอ้สุมนี่ตายไปเป็นผีเพลเพลินว่าโว้ยโต้ใหญ่ทอกองเพลน ปากในหน่อยท่อหูขเข็มจินบอิมบ่เต็มจักเถื่อยนม่มันพาดอะอยากไร ห, ห, ห้องว่าหิวหิวหิวผู้เถ่าันว่าตายเป็นผีผีเป็นป่ะโอ้เออเมื่อขั้นมาเมื่อ่าสั่งกัทบท่อใบตานนี่ได้ไม่ออกเลยเมือ<ไ>่อซ้ำใดก่อนซ้ำใบาตานนี่ตัวเนาาเป็นตะหาถุงมือใส่หยากแท่บา น, นบัว่าแล้วอบัวบมองสีเก่าหรไม่ออกเลยเอาปอุ๊กมาจ้องไวส้สนเมื่อไงปันไป ย, ย, ย, ย, ย, ยังจ้าวางนาะผีพีมันอย่างหลาย เป็นแบบูดลงควนรวบเอาโลบเอาโลบว่าแทกตะนั้นโว้ยเท่าผีเพลดจะเป็นอย่างหลายๆเข้าวันนั่นว่านตายก็เป็นผีเพลดเข้าเบิงตัวเป็นเพลดตัวเออั้นศันรผู้ขากะสิไปคอยเตือนแมผู้กายเล่าเศร้าปรืบกเิปฏิบัติตามติปานมากนคนอาจารย์เจ้าขาเนาะเออไปคอยแนะนาเพิ่นสี่แจงเพิ่นว่าเออมเศ้าสาดละลงเออกะคอยแนะนสั่นตัวความข้มอยากของคนมันมีมันเหตุเหบางงูบังตาบวเ็นแกพีแกนอง ขั้นผูใ้ใดขีท่ทีมันกับผู้มีพีมีน่องสีนแล้วขั้นเท่งไห่เท่งมีเพลินวะครับเพราะนั้นเราไม่ออกอันวั่นใจเอ้ ย, อยาวั่นจันดีฮะมืนอนี่ผู้ขาใส่ซื้อจันดีตัวหลายซื้อแต่บุนเหล่าคนอะไรจำคนผิดบ่เหอะ อันจำคนมันคือกันเสื้อดอกกันหวานใจนั่นลูกกันลูกอาตัวโอ้เจ้าหนิจันดีเนาะจ้าผู้ขายหนจันดีลูกพี่ลูกน้องยังสิ่งแหละมันใกล้กันมันคือกันว่เป็นยังไงครับถือเอากระตาไงนี่ขั้นเสียวเนี่ยอยู่ได้กินมันเหลือกับจังเอาเด้อเออจ้าเอากับปันกันเท่ามาวัดมาว่ามูกระยากคืบกันได้บ่ข้ามหวานมันเหลือพูรุนวยกับปั้นพุรุนวยสันตัวจ้ามูจังหักจังแพงกัดกินเนี่ยนี่บ่เป็นบาปมูกระหักกระแพงสันตัวเด้อจำใหม่เด้อจ้าจำใหม่เสาก็จะสีคขานลูกแต่เาาใส่่่บบททนออยดก ไส่บาตกุณอาจ่าเออขันบท่านกับบเป็นอย่างเห็ุแนวไหนน้อมีโบฟอยอยู่บ้านเออหลายอันอยู่ฟ้อยอ่อนกับมีฟ้อยแข็งกับมีเออขั้นอยากได้บุญไส่บาตรพท่านบอ่ากับบญาใควดถนนบองหลวงพ่อค่อนางหลวงพ่อเป็นปวินบาตเด้อผาดูผ้าานกวดคากันี่ทางไปสวรรค์คือกันได้นี่ กดถนนซื้อกระไดบุญบอกว่าให้กระไดบุญสันตโน่เอาผู้ข่าว่าแม่นบุญมีแต่ยุวัตบอมเนบอกล้วอยู่บ้านอยู่ันเทศเอาก็ได้ตัวขั้นเอาเปลี่นโนอโ้ยเอาบ้ายากตัวเสียงเออแมนเดอมือเส้ากับผ้าดูกพ้าล้านหรือผาหนองพาดุงกวดเน้อโอ้ยสิกวดไปเตเนี่ยเหมือนแลีงพิรชิงว่ากแหงหลายกวดออกเนี่ยหพวกพอพ่นยางดีๆเนี่ยรไดบุญหลายตัวเออทางเข้ากไดบุญนำไปขั้นสั่นกับาบานจาจ้าเจริญพร อันเม่์ใหญ่เอ้ยอันเรื่องข่อยคุยกันกับประจันมหาปินวังหันว่าสิบอบอกห้อีเมยฟั่งดอกแต่ว่าคั้นสิฟังคว่ำขังเดียวบอฟั่งคว่ำเมยมั่นกับบยุติีถ้ำสำหรับล้าควมอาจารย์มหาข่อยได้ฟั่งแล้วบันสิถามเมยเบิงผู้ใดสีบอหมีน้ำหนักหมีเห็นมีผลกัวกันจังเสียมาตัดสินผู้ฟังเอ้ยจันดีมากทังบ้านเห็นมั่นด่านังมัดมีสีถามเล้าดีดีเล้าสีตัวหลอกตุมหรือสีบอเรื่องจริงน้อ แม่แม่แม่จะเห็นต๊ะขังอีนงโต๊กที่แม่ตกใจแต่จะมั่ห่องหืวหองแหงนะหันเอยย่างเบาหวานกินวัจั่จัที่อ่นจะเป็นมันค่กเนาะมาละจจวาจ้า แมนโผล่นพ้อไปเหิมไปเกี่ยวกุหลาบเมื่อเชียนนอนอยู่น้าผาเออเออแล้ไปนพนตัหมอนโกโบกใหม่นั่นคอยกาล่างถ้วยล่างจานปดกุฏิกุางซอยผู้เทาโย่แปดกุฏิกุางหาเมื่อจังไดไปตรวจใจ่องมองจนบ่ายสามจังมามันกะไรเนี่เหียนแม่เอ้ยเจ้ากินเข่าละบ่กินจะได้ก็ยังว่าู้สิถ่ากินน้าเมือหงมมาเกิดว่าปากกุพ้อง็่ะเน เป็นไปกินหมากินผู้ยังเจงสปากข้งเขียวเปิ้ลผีปสสาวนะแม่เออแต่ก่อนก็เคยเขียวแต่ปูนหอยน้อมาเขียวปูนด้ีบรรากาศปากกูปัสฉันเมื่อนอื่กินเข่าได้ไปบัวปูนหอยสข่อยคอยคยเห็นแต่ปูนนกกับปูนเสือเดวนี้แม่ฮะข่อยเค่อยเห็นแต่ปูนเสือกับปูนนกีบ้าปูนหอยมาแตกประเทศไดอีกปูนหอยกับปูนเสือกับปูนนอกมันเสียม้าชาปากกูเจ้าบากข่อยว่าอยู่นั่นละ ปูนหอยกับบักหอยแข็งนั่นแหละลูกเอ้ยเขากินทั้งไหนมันเบิร์ดเล้วกะล่างน้าดีๆก็เอาจากแดดมันแห้งแล้วกะหากกินใหม่มะเผามันกะสีผู้ืนกะเอาใซ่บอกเอาน้ําใจกะท้าผู้กะเขี่ยวเลื่อน่าปูนหอยเออเจ้าเคี่ยวผู้ยังแมีเขี่ยวผู้ขาวเอาว่ได้เคี่ยวผู้เขียวติเมียี่บ้าผู้เขียวมันจะใช้กับผู้ผุนกะทั้งหายังบอะไรกูไปกินผู้พันรสชา คนหอดพูดกรดึงเบือได้สันแม่อันแม่เอ้ย อ, อันพ่อดีแหละแม่เมื่อนี่ลูกหลานไม่ใหญ่หนูพรคนจัดงานบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปเหตพ่อปล่อเสือกครอบเจ็ดปีเพิ่นได้อาหารฝรั่งไปจังหันข่อยกระเลเามาให้เจ้าแม่เอ้ยเจ้าสิกินเปลี่นบ่อนอ๋อแม่อาหารฝรั่งแม่ บแโนโบนมบนน้อพ่อแบนพ่อเสียชักนั่นเองเออบ้านแข่นั่นแม่บ้าอืมอาหารฝรั่งจ้าแม่มึงก็กินเป็นที่หั น, หนจงางวาวานั่นแหละเจ้าเกิดดนสิเคยกินอนาหารพลังบอคอยหลดลิตนเจ้าเจ้าบ่าเคยได้กินขวามาะฝากเจ้ามึงยาว่าได้่อยบอกให้เฉลี่ให้กูกินนะ น, น่ะ โอ้ยปล่อยบอกุกฮอยเซอร์เลกอาหารบั่นข้อบั่นนั่นน้องเงย็นทงเงย็นดวงนี่ดอกแมเอ้ยมันเป็นอาหารฝรั่งดอนั่นคันอาหารเช้บบ น, นี้กับบกฮอยโขบบุกฮอยจูบบกอยตาเดงนัชิญวัมันฝรั่งบอลไนเออกับผัดังบอกมันโซลี่ขนาจะได้กระับร่องว่าเม็นบกักฮอยเซอร์ล็กก็แล้วกันแมร์เออเอาแม่เอาแ ม, าามา่นาดกูขายข้ามากแล้วมันเปลี่ยนเมนูออเดอร์อาหารบ้างแมร์บ้อออันคู้มือจันท้ายเมรกินเมื่อนี้ ให้แม่เปิดกินเองเต็มปินโตซีฐานเลยแม่ซีฐานเต็มม่นก็ได้ใจแค่เต็ตมปินโตซีฐานานะเออเสือปนีเนีจะเสีหละมันแกวนีเราแม่เปิด เ, เลยแม่กินเลยจ้าจะเปล่นโตเป้าล่ะลูกทานทีสส่สองกับเป้าทานที่สาอ สามกับเปาท่านสุดท้ายดากระตาอี ป, ปอบสให้กูกินหยั่งนะนั่นละอาหารว่างเม่มว่างบ่ไม่หยังนี่นะจัง้ยอี ก, กอีฉกรักอีเห็ดลังาอีเห็ดลัโกกอีกินจีอีจดจอกอีเลี้ยมฟักดอกแพรเต็มบ้แนเตรยมหยั่ <c oughs> งเป็นแต่หายๆเดี๋ยนู่นเมนูพ อ, อหนแนเเหลือแค่กูคอยทากิน เลยให้กูกินอากาศกินลมแต่กินอาหารางเหมือนแรกจริงๆไปกินโต๊ะแดงกูได้กินบ่เจ้านะกูลงนี่กูกนี้ไปบ้านในก็กินบ่เมอ้ยแฉบบ่แฉบแฉบขับไปนกก๊กทับก็อปอดกูฝุ่นพต่อิ่มเดเอาอาหารบางมาชูกูกินภายใบ้านได้ยังได้พากกินลมกินอากาศนะ แม่เอ้ยใจแม่จ๋า <c oughs> สาเหตุที่จันบอเน่าจินมาจากวัดจากว่ามันเป็นหยังผู้ใดบอหายออกมาหลวงพ่อาบอหายมึงออกมาที่ข น, น, นาะหลวงพ่อเพิ่นกับบว่าดอกมาหาเพิ่นกับบอว่าผู้ใดฉันบอหายมึงออกมาข น, นาด อันบ้านเมืองเสียงกระเดาเบาเพื่อนเจ้าโคกโกบตั้งแต่คุมตะวันออกคุมกลางคุ้มหนาวัดแหฮงเว้าดีอผู้ใดกอดเ้าเพื่อนกูอัดนแขกนึ่งตีเออโอ้ยผู้ใดกอาเบาเพื่นกูแกงจริ๋งขึ้นบานมาเบาตอหนากูหนากูชิต๊ะขนาไงคืนทั้งหลังบังอก็เบาตอนหนาก็สีวลาเบาเพื่นติแม่คขาเบาไวจังใด เจ้าป็นคนเราเนว่อยากเนวกินเศษสลอของท่านอาจารย์มหาจากวัดจากว่ามาบ้านมาเฮื่นบอ่อปั่นพี่ปันน่นน้องแมนบ่อกูปั๊ดปั๊ที่เศตต่อรับหน้าตาเสยขัขึ้นเฮื่นผู้ให ญ, ญ่เสย จ, จับติด ก, กเลยรับแนวนี่เจ้าออกมาอย่างเม่มเออมากินคอยบอ่บอนไม้มาวไม้จังซ่าแม่จาบ่แมนไฟไหม่ปีงตาจีปอยตงม่บ นั bạn, ่นแ่ละพาสวยเ่านัเจ้าจุนี้ลก็ปิ้งฟ้าไปนั่นแหะมันใหม่ขิ้วกุ้มเทียเพียเดียวแต่ว่าพวกินอาหารว่างกันไมปิ้งป้าเห็นมตัวแม่เอ้ยบ้านเมืองคนเฝ้าตีชิ้นเลี้ยง่าวาโจเป็นคนเอาของวัดของว่ามากบ้านมากเพือนเป็นอย่างเจ้าจังบอแบงพีแบงนองเน่ เมือมมอม่อเม็เดนเม็วกกับเครื่องบาดเจ็บเอาจับอาทไหากูในบาจับใช้กตาหาโอเสียใจเอาเจ้าข่อใจเข้ามาไปวัดบ่อเมฮ์ ไปกินไปทานไปลดไปละไปเลิกไปปล่อยและไปว่าเออ้อยากลดก็ลดลดไอ้อยากละ ก, ก็ละลดจะมากู้เชีเออ่ยวรับรองบากู้เอามาแล้วตัว้มรวยคำเชีอีกับบา้าก้าจับกู้ได้ขนนาะดเออมื่อหัวจักบ่ยกนี้มือยาวสาวได้สาวเอาใข่เพอรกูเอาเรียก อ, อือแม่เอ้ย ให้แม่เฝ้าสาเหตุที่แม่เป็นคนเอาของวัดของว่ามาบ้านบ้างขั้นไหนจันฟังเบิงขั้นมันดีจันทรกะเสียวหล่อไปอยู่เอาโบต้องไปหาน้ำพูดน้ำผาน้ำทงน้ำทาดอกแเมรอแต่มันโชนตับศูนปอดที่อันนี้เด้ดพอเสียชักเอหมือนเด็ดดับมือขวัญชิถิมันไม่หนีขวัญชิเอามันีเว้าให้จันฟั่งเบิงมต่มันบ้ได้มกได้ใจขอจะหายเสียขาด บปเอาแนวกินมาช่วยกูกินเด้อจังไรจังกาเอาอาหารบ้างมาช่วยอยกินบัดอดีแมียวนหลายจังเบืองหน้าเจ้าของกับบ้านใดอ้จะเขีนหน้าเจ้าของวะเบื้องหน้าคอยหนี่ก็ได้ตัวแม่นลานหน้ามังน่ะขึนจอกระดดมอลก็จีน่าเดียวกับตัูกับแมีย Chẳng p น ả i xuân l a น đến là xuân lai đến cây hai lưỡi ngàn ơi n า Ưu l s i ệ p h ă n h o đ ọ a t หากเะด้อคอยเขานี่ส้ำถูกเตียนโดยไม่แกล้ละละล้นมาตีบ้าน่ายดอาเจ็บจำอยู่บางส่ว ละสร้างลายดนส้มปากกว่างส้มทีปากบวังดีเป็นหานตีเป็นนินทางยวัดว่าบอใบบานหาประจันค้นนั้นหาประจันค้นนี้พวกบ่ดีว่าพืนมัวละและเมยยืนถ้าเมยอยู่ตอนนั้นยันเป็นบาได้ยำรเอน น้าเอินเด่นแต่ปางหาปลาพอนวเาเบิบ้งดอกเหงาโตัวมาโบไ้ไล่ที่จากเดมือไปตบน้ า, ดาได้ปากยังไรปากขีโซปากสอพอปากไปเด็กยาสิห้องแห้งไรไม่กูฉุนเนาะ ห้องแห้งแห้งออมมากข่อยายันตาสวดตาดอดน่ะดอกแม่เออมันสวดมาโล่กูใช้แวน่นรัดไว้ยู่ามันสวดแต่ตาใข้ได้ข่อยานแนวอื่นมันสวดน้า น, น่ะดอกเอยแนวอื่นมันกลสวดกันมันสวดโลดสวดน้องสองขางกูนั่งเหน็ดไว <c oughs> กวกันกันพงงามคือหอยสวดกันสิเพิ่เบิง้งก็ได้เจ้าพูดเถ้ามันพูดเติเบิ้งเด้วยไ อ, อ่ปอพ้กูบ้าไปทั <c> ่ว <oughs> จเจ้าดันละพ่อคอยมาไปทัวดีบทัวเด่นหอใช้บัก่อนกูนี่อินดีละบนโต๊ะใดดีละเ <c oughs> อินย่านได้แจกเขาเ่าแหงให้มันยำผูวลาแฟนละเมย์ย้อ้ยลูกสาวตรงกระเพาะหายไปลงเสื้อแต่คำเขาละแถมยังเมานดำเข่าว่ามาอ่งเออ ก็เสียนี่นาแล้วบ่ทวงติงเอาไว้ลูกจังไรบ่เอาเมียไปสาอยังพวกปากแปปากกระแบะปากกระดงประส่งว้าจะเลี้ยงคอนเลยนาเลือกข้าวแหงไพกะหัวจนจนบ่ได้ละขามยมาละพวกงอเข้าปากไว้ไว สร้างบ่าจารันไอบ่สร้างม า, าทำให้เขามางนะลาสางบ่ไอาจนตัวสัานงนะคอยบ่เบนอรหันลาจังสิ่งอดไปนะได้ใจใหายนายบ่าบางนะลาจังหันมาจะเ้ากับลูกสาวอีกเนื่องนะจันดิ้ แม่กวังพึ่งจะหาโอ๊ยเฟชชีหายเดี๋ยวห้ยคอยหอยกะตาก่อนนะอาใจนีโอ้ยขอบบุญขอบบุญเอาไปมีเดี๋ยวหายยู่ ก็ให้พายผูกแขนต่ว่ามันบอกค้าราคาดีคือความเจ้าดอกแต่ว่ามันขังแน่อยู่ดอก่อยไปสวดแปดวัดแปดว่ า, วาผลชมโพธิทนาสวดแน่รับน้ำจากสิขังมาขังดอกนี่แหละแม่หนูพ่อนตัวแม่ฮะเออนี่แหละแม่เจ้าภาพไงบ้าเออนี่จีซัพพดอกละแม่ก่อนมูมันน ะ, ะได้เช้าบาดจะร้งหอดก่อนเนาะ <laughs> เว้ยแหละอันนออยแตใหายที่ áo buộc đạ áo ้ h ì nắng noi นี่แม่อ่านน้ำเมยไงนี่แบมื้อออกลูกแบมื้อออกแบนออกลูกเออแต่บ้าบานมันสาวเส็คมื่อว้ยมันมามันจะอานน้ำเมยไง Anh n ่ à này chàng khâu hàn hay mân nhầm p ล u là phai là bè chơi ơi. l ก ộ c sao to cà phốt hai, đ อ lồng sườn. Ta khấm k แ ể n là t h è า nhang mèo nấm khâu ba má. c ้า niêng là ba thua tinh ao vây. l u c n ไร b ่ ao mèo. Để sá nhang p h งพวกปากแป ạ c cà bè bạc cà đong. Bắt song mèo để liang k h o ละจังหันมาจ้าว้ากับลูกสาวอีกเท่เนืองจันดีแม่ก็วังพึ่งใจจากหาาสิงบนเดือนดือนนั่น และเม่ยนเขาเว้าจูใจเจ้ากระยาหัวซาแะเป็นมาคันแพงเอื้อเมีนผู้ใดสิ้นดวนได้ลูกต้องอาศัยเมียนนมันดางอาศัยเจ้าสองคนเฮากะหูวยวมนแลานางเอื้อกตันยัววานาเอยพระคนท่านให้อันดุน เดีอนลูสาวแม่กะหัวแต่งหากว่ามันจำเป็นลูกบางเห็นดีนั้นแต่แม่ทำมาหนุนเหลวแน่ว่าหน้าบ่เมียลกกูสางลาพอกะตายอามปังเถิกไฟย่างดอกเผ่าเจียมนแม่นี่เก็บอันนั้นล่ะแม่นี่ไขยอันนี้กะแพงไวเพื่อล ละและเงินเหลือทองเป็นพระเจ้าสือถูกอย่างได้สมายดอกนางเอืญนะหากเข้าควคนกระชมบอกว่าเป็นเศรษฐีทานนะและนะาเมื่อกบันล้งล่ะยางไปมาคนกะทอมนะและจอมคนเอือ ลูกแก้วขรฟ้าเลีลาหาลเจอใจ แม่มันขืนพ่อมกันเบิ่งจะแม่นคอยั้งอีพึงวึงในชาเมั่อจำได้ว่าจีกูบบาชุมืงอพังนั่นนะพอเมืงตายป้าบุญกับพท่านได้เกิดหาขอบมันถูกมันหยาอันแม่เอ้ยแม่ละพันละนาตึงคววมตัวคววมอยากสาเหตุติพิคนเอาของวัดของว่ามากบานมากเพือน อันโมเห้านันเมนบ่อรวยสับชินเงินทองคือบานคือเมืองเพคนเท่ากับรวยบุญรวยท่านกระไดตัวเจ้าเคยได้ยินคำพังเพิ่ยว่าบอ่อเมียคนจะงามงามน้ําใจใช่ใบหน้าอคนจะสวยรวยจัญญาใช่ตาหวานแมคนจะแก่เก๋ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสิน้นธรรมใช่บานโตไปโยกข้าไก่ไปอิปปอ้อ บ้านเหงาดังใหญ่ช่างปยัดอยู่คือเพนหนาดน่ะอันนี้าจันเปียบอุปมาอุปไมให้แม่ฟังแม่เอ้ย<ม>ขั้นเป็นเตท่าบ้านพอออกไม่ออกว้านี่จันกับบเสือดอกเมพระกับว้าได้แม่ะกวาเออ้ ย, อยมาสดาก้วประดกบ่มกูเด้ะนาน่ะน่นนั่นน่ว่าไปตัวจีบตัวเดนอาจารย์มาหาปนเพนมาจังสิมาจ เด็กน้อยผู้ใหญ่ผัวยิ่งผู้ใช่ผูได้ก่าตามสางขั้นแปลวของบัดของว่าบัได้รับอนุญาต จ, จากพระสงค์องเน้นมาบ้า น, า น, า น, านมาเพื่อนตายไปแล้วไม่มีต้นโพจะอยู่ตายเป็นเป็ดไม่มีต้นโพจะอยู่นะแม่จา๋าเสียใจเสียใจอย่างแม่ทุกวัตนี้ผีเปด็ดไม่ได้อยู่ต้นโพเราก็จะบอกฮงอยู่ใส่แม่บกักรผิด ชอบกูดีแท้มีหาหองพี่เปี๊ยกอยู่กบากเพล็กออมีหาเจ็ดได้แม่แม่หลับหวมาอย่ไก่กันแท้มองก็ชิตาพิสวดพี่เป็ดยก้ถมเมอกิ น, อนชอบกมดีแท้ดอกแม่เอ้ย <c oughs> อาจารย์มหาปินพันวา ถ้าบุญก็ได้ชาติหนีถ้าบาปก็ได้ชาตินีบ่แม่นชาตนาได้แมอชาตไดก็ช่างหัวมันชาตินีกูไม่อยากพีกินกูไปขอนอื่นกินกูกบนหัวกูเพงแ้งแล้วกูไปดเงินไปดก่อนะผู้อื่นผู้อ่ก็ตายได้กูยก็ื่นรอตายผู้เดียวกูนี่แหละได้พระฤาษถามไปก่อยมันเนาข้าบาปครับงี้นกูจะบ้านยังดงเจ้าบ่ย่านเจ้าตกหมอนั่โลกหมอนแม่จะว่านเจ้หมอนั่โลกมาแต่กูไม่อยากพี่กินหมอหนึ่งกูกระิลงขนแม่จ้า อาจารย์ศิวให้ฟังเด้ออาจารย์มหาปินเพลนเถิในจันร์ฟังเหมือเเ้านี่้วนบวนได้เมีอาจารย์สิทายถอดในเมีฟังเออเ่าตังอาใจฟังได้เมีเด้อเออเบ้าไปโดดอีบุญใหญ่จ้าบัดเนนาเมนา บุญบาปเนี่ยมันมีจริงคือผันวางนะคุณแมื่อขึ้นคำสอนสารศาสนาบาสมานปุณธเจ้าผันสอนไว้นในนี้จริงนะมบนจงอยู่นิ่งนิ่งเมื่อจงอยู่นิ่งนิ่งยามกวันเหลือฟังตั้เรื่องบาปกรรมทั้งเวทแต่ย่างนินสิ้นเด็ดใดนั่ง เพ่อนทัดซอนกัไว้ในคำพี่นั้นมีวังน่ะกันลยาอ น, นักกาเลียนกันลยาดังป่าป่าการีจะป่าป่ากลานะเมียนั่งเื่อน ไปทำเด็กก็ได้เรียนไปทำชั่วก็ได้ชั่วมึงเจ้าเป็นว่ามาฮั่นะ คุณเมื่อเอผู้เพื่อนได้ยามยามเสิยดาลาปุนของคำเดือแม่เดินกันตามบุญตามด้านสู่สวรรค์ดองเมืองฟ้านะส่วนว่าจันเดืล้ก็ยิ่งน้ำเกีวอยู่เม่เดนหนุนหันคุณเมื่อเอินะเม่นั้นต่าดอกเกล้วสสมคู่หุ่นอยู่ใจใจนะแม่นั้น นางเอ๋ยเรื่องบาบุญมันซอยกันดอกบ่วดันขึ้นเป็นหากได้ทำลวงได้น้ต้องจ่จงดอกใบน้ำคนมือตตยดอกไวเสียนน่ะต้องบิดลงมาเตี้กำบายาผุ้งโนสันตามเด้อแม่เด้อ ท้อละมาตาละกรมนะอยู่บ่เลื่องบ่แล้วกันเวียนใส่ตอมสันนวมนะบ่ต้นตายถึงเลยบ่อมใครเห็นอย่างดอกต้นตาเดือดท้อละมานไก่ใจอยู่บ่ไหวมาไลเสียนนะเมีนั่งรือขึความไกล้เสียน ทั้งวัยน่ะคว้ามั้ใจได้สางก้อนเจ้านันนเด้อได้ต่อได้กับบ่พองน่ะลมก็ลงกับมียมกันส่วนนันจินเรกจังเปี่ยนสดขันเปียนโยจังเปียนหลัง thiên trần đ ị đầy ơi an trần cún mè nhọn bằng đ ề đê nụ h o n chan t h m ẹ la kiến xin bò đ ị đưa cầm cho n m ẹ nắng ướn sum đ ị đơn x u m c ắ p biển đỏ con thỏ úm nà thì cún โฮเดวันเนื้อดนะเปิ้นจังวาไว้พี่ยูวเดินโยฟ้ากระโค้งยองดอกฟังเสื่อมบัวเม่นจันนี่สิเพิ่มนะบัวเม่นลูกดีสิเพิ่มกันซ้าตึมพมันนาดอกแม่อ้นกดสะฟังความนางยี่แม่เอ้ยสีคื้นบั คำโบราณบรนวาไว้บรนยังวามือนตือสากปากตือสิญญาแต่คนสิเก่าว้ากันตนเจ้าสี่มณมานะ lúc chân đề c ó lon ngày sau xa nhớ sang c o n khấn m è ơ chân cày hàng b ò miên b ò miên tới tuần mẹ cháu mà n ố u sầu đỏ câu m u ồ g nè c a n điên khấn แม่กูยยากยาติพี่น้องเป็นเหลี่าบึงจนตาเขียวอแม่เอ้ยนะแม่นั้นเดียวตั้งเปลียนเกณฑ์เด็ดดอกเดือดจนนะฉันอยากใครคนบูนกันแม่สาวนุงเสืสวงยากไหลเดึงนะยามก็ว่าเป็นห่วงจังได้วุ่แม่เจ้าป้าผุ้งเขียวเขีนดูนะ ยังว่าเดียวนี่นั่นคุ้มใดๆเปิ้ลก็บหัวกันไปทัวหัวลายอย่งเดิมเดิมนะเรื่องมันแดงอยู่ทั้งวันให้แม่ตันดอกสวยนะจันบาชินเดิลงไปไทยวลบเจ้าเปิ้ลสีส้เงือกเงินในแม่เจ้าให้เศร้าตอนเรื่องวันวานนะยันตะลําเป็นอาโลกสีสัน ไปไก่แมืองน่ะพูนอดใสกายคุณพูนพดใสกกายคุณดุงบ่ต้นกันเดียวน่ ะ, นะสะารพันไก่เสียงนะบอนที่ลูกวังนี้เม่นที่ตานในฟังตอน กอแขนล้วงเพงำเดียนจะเดียนคอยนัวันวุยกอดนั่นและด้อนเมยน อันเจา้เจาเบิงบอพี่น้องบ้านแขบ้านใกล้ชิดติดกันนำเพื่อข้ามชายีน้องเงย็นดวงน้องเงย็นทงเพื่อนมากินมาท่านอยู่นี่แม่เห็นอยู่เออเจ้าอยากถ้ำบุญเจ้าอยากถําท่านคือเพื่อนบอเอ้ยก็อยากถามคือเพื่อนก็หานละแค่ว่ากูว่ามีกูจะหายหยั่งหายนะอันบ้านนี่แม่เ อ, อ้ยจันสังเกตเบิงแม่อยู่สูมือนี่ เจ้าโบเอาพี่โบเอาดนอกโบเอาบ้านโบเอาเมืองเจ้าคือจเจ้าสาีโบเพิงผ้าอาศัยไผบัดนี้ให้จันถามแนงถามยัฉนขันยามเจ้าเจ็บเป็นเด่นอ้นบยุดีมีแห้งเจ้าสีเพิงผ้าอาศัยไผแม่หมอใหก่อแม่หมอหมอใส่ละแม่อยากลกสีเนี่เออเอาแบบยานได้ทุกสีาั่น <laughs> แดกกัแม่อนังกอหลานน้อยบอกว่าอยากได้ทุกสีใหญ่พะนะเออเห็นบ่เห็นบ่หลานหน่อยๆก็ยังหูยักถ้าบุญจังไดทุกสีพร้อมตัว่ใช่บาทนึงก็จะได้ทุกเออโอยแนวนี้เป็นไงขาดทุนนี่ะเพราะจะเป็นหูจักคว่ำน้อหลานน้จะไปถึงมองทักเลบาทนี้แม่เอ้ย เจ้าคือสิไปไดเจ้าไข่เจ้าปวยอยู่เจ้าคือสิไปหาหมอใดแม่ไ่บยาต้องขโมนหัวยาวขึ้หนังนีิเจ้าสีเ็นแนใดแม่ากูกระโเอาฉันแล้วเบื่อไดเลยแม่ห6ึเจ็บเมื่อใดให้โธมามันบ่าเจ้าเห็นอยู่เสล้เบื่อหนแม่ไมกูเเห็นอยู่ปดทานเหมนแข็อันแม่เอ้ย บาดยามเจ้าล่มเจ้าตายกูไดเสียไม่แห็ไม่แห็นเจ้าเขาเม่นแห็นเจ้าไปเผาไปปลาฉ่าแมยเอ้ยบังเกิดอ้ามันก็ม็นเสียบานเสีเมืองัน่งตัวนั่นแหะจว่ากูบังเกิดพะว่ากูตายเพราะแฮงห่งแต่ว่าอยากเมียนอยากจุดอยากจี้กับปอยมันเอาคาบบาดดูหันกูสิว่าฉังโอ้มาไปถีมเจ้ากับบงเดบ้าบ้าเสารอบอลซ้อนอันเม่เบอกไปทูถีบตัวเดน จันบอก น, นั่มบอกเปลี่ยนจันสิลงทวงหาโนาใหม่มากินแร่งแกงเสพขากระดมแม่จ้าอย่าพาออกไปให้กูได้สักวันแ น, นี่นั่นบังแม่แม่แมอ่ำพนเว้ยเบ่าให้แน่กับแร่นนี้จ่าคอยจะแม่คอยนายน้ํามันจังสี่ละ่ะขนาดมีพูดียาวเด้หันนะขนาดมีพอสามพ่อสีคือไทยบันแข่แต่ว่าได้เป็นประชารถ่ อ, อยเป็นแม่มันพผลาดสว่างโหลดนายจาาน้ํามันบู ก, กระได้ ผัว่าฉั่นก็คือกันยานจะมาได้ร่มได้ตายได้บักตอบมันีก็ได้ตายไปเร็วกับมีดกิลีปันปอยยันลงตุมวันที่หนึ่งวันที่สิบกที่มะเข่าขวัญผันไข่แน่มันกับบะหมาเพราะได้ไข่อยมีเงินชักอันนี้จ่าหาแม่ไข่อยว่าย่างขาววัดชื่อเห็นกระดูกมันข่วักเสียนีสิบได้ชักอันนี้จ่าให้มัน ไดยว่าให้มึงตายอยู่นี่แหะกูว่าเอาผัวใหม่กับบุญหัวมึงตัวค่อยว่าเออเมื่อคืนนี่ค่อยนอนผันดิเดีเกิดได้ไงมากับบค่อยผันจังสีจักเทียอยากพังอยู่บ้าอยากพังเยอะป่ เออฝันมาฉากแลนไล่นนกลุ่มควายก็นยังแต่นนพ่ทำพอหลังพั่นว่าฝันเห็นฉางคนเหล่าพื่นฐานขวนฝันเห็นควเห็นควายสิเจ็บเป็นเอ็นอุน่นกระช่างขวบป่วยจักเชี่อาอกสมมตบ้านแขมันได้กินเงินขอยดอกขอยจีปแปะไม่ฉ า, างแล่นไล่กลุ่มควายฉางเก่า คว้ยชีให้ออกหาเจ็ดชิ้ม่ออกเก่าฉีบได้เงนใช้เดือดเฉนะเอ๊ยบ่ได้ดอกยืมน้ำแทบ่านกันน่ะนายชาดมันเบาพื่งข่อย